วาทะความรักจากกันให้เป็นแล้วความรักจะไม่ตายบทที่5จากเป็นจากตายรักแท้ไม่ได้มีแต่การอยู่ร่วมกันการอยู่ร่วมกันตลอดไปไม่อาจเป็นรักแท้เหมือนกับเพลงที่บรรเลงยางไม่รู้จบรู้สิ้น ย่อมไม่อาจได้ชื่อว่าเป็นเพลงเพราะหากปราศจากจุดจบของเพลงเราก็ไม่รู้ขอบเขตเนื้อหาของเพลงไม่รู้ว่าเพลงต้องการบอกอะไรลงเอยสุขหรือเศร้าฉันใดก็ฉันนั้นวิธีจากลาก็เป็นเครื่องบอกว่าความรักของพวกคุณงดงามที่สุดได้แค่ไหนไม่เช่นนั้นพวกคุณก็แค่อยู่กันไปเรื่อยๆอย่างปราศจากบทสรุปอันใด ถ้าคุณทำตนให้เป็นคนมีสเสน่ห์เจอคนที่ใช่แล้วและพยายามรักษาความรู้สึกให้ตลอดรอดฟังได้แล้วแนวโน้มคือความรักของคุณจะเป็นอมตะแม้ต้องเกิดตายครั้งแล้วครั้งเล่าความรักอันสว่างหวานก็จะยังคงบันดาลชีวิตคู่ใหม่ให้ไม่รู้จบความเกิดและความตายจะเป็นเพียงอุบายทางธรรมชาติ ที่รักษาความรักไว้ให้สดใหม่อยู่เสมอแต่ถ้าคุณพยายามแล้วและไม่อาจเจอคนที่ใช่จริงหรือไม่สามารถรักษาความรู้สึกไว้ได้ตลอดรอดฝั่งอย่างน้อยก็ไม่มีใครว่าคุณได้ว่าไม่พยายามทําให้ดีที่สุดเสียก่อนจุดลงเอยของความรักมีทั้งจากเป็นและจากตายมีทั้งบอกได้ว่าเป็นรักแท้หรือรักเทียมถึงเป็นรักเทียม คุณก็ต้องดีใจที่ได้รู้เพราะจะไม่ต้องหลงเสียเวลาเปล่าและเริ่มต้นแสวงหารักแท้กันเสียทีบทนี้จะชี้ให้เห็นว่าเพียงทำความเข้าใจเพียงไม่มองแค่ฉากหลอกในยามจากคุณก็จะเห็นกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินไปและมาถึงจุดจบกระทั่งกลายเป็นภาพรวมแห่งความรักที่สมบูรณ์ไม่ว่าจะสมบูรณ์ในทางสาเร็จหรือล้มเหลว คุณก็ได้ชื่อว่ารู้จักรักอย่างทองแท้และไม่ขาดสติวาทะความรักมีความสามารถในการผ่านรักร้าวดีกว่ามีแค่ความสามารถฝันถึงแต่รักแสนหวานหัวข้อจากเป็น หลังจากจับคู่เกิดภาวะคู่รักขึ้นมาคุณควรมองว่านั้นเป็นภาวะหนึ่งมีความผูกพันระดับหนึ่งมีความทนต่อการแตกร้าระดับหนึ่งไม่ใช่ความเป็นเนื้อเดียวกันดุจธาตุกายสิทธิ์ที่ไม่มีทางพังพินาศในอีกทางหนึ่งภาวะคู่ถูกผูกไว้ด้วยสายใยจึงเป็นไปได้ที่จะสร้างเสริมสายใยขึ้นใหม่ไม่จากัด เดิมีสายใยที่คุณมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอยู่ก่อนจากวุญเก่าในอดีตที่ทำไว้ระหว่างกันคุณจะรู้สึกว่ามีพันธะหนาแน่นแข็งแรงเพียงใดก็ด้วยการลองเจอปัญหาหรือเจอสิ่งที่ไม่ชอบในตัวอีกฝ่ายจริงๆดูว่าสามารถรับได้แค่ไหนโดยเฉพาะที่ต้องเจอซ้ำๆถ้าความอดทนต่ำก็แปลว่าสายใยผูกพันไม่ได้เหนียวแน่นหรือแข็งแรงอะไรเลย ยิ่งรักมากเท่าไหร่ใจคุณจะยิ่งสู้มากขึ้นเท่านั้นแต่ความจริงก็มีอยู่อีกอย่างคือนักสู้ที่เก่งที่สุดในโลกก็ต้องหมดแรงเข้าสักวันหากต้องสู้เรื่อยไปไม่หยุดหย่อนเช่นกันหากหมดแรงที่จะรักก็ไม่มีเหตุผลใดในโลกที่จะต้องฝืนเพราะถ้าฝืนและเป็นประสาท คุณก็ต้องตกนรกทั้งเป็นหลังจากความรักตายไปอยู่ดีตัวตนของคนที่ใช่อาจเพิ่งออกลายเต็มร้อยหลังจากร่วมชายขากันตรงนั้นคุณต้องเชื่อสามัญสํานึกแล้วว่ารับได้ไหมหลังจากพยายามอดทนกลั้มกลืนระยะหนึ่งแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นบางทีการลองห่างกันไปบ้างเพื่อรักษาสุขภาพจิต ก็อาจเป็นหนึ่งในวิธีรักษาความรักไวครับคุณค่าของการจากเป็นเคยนึกถึงคุณค่าของการจากกันเป็นเป็นบ้างไหมการจากกันเสียก่อนตายบางครั้งดีกว่าอยู่กันไปเรื่อยๆนะครับเพราะอาจเป็นทางเดียวที่ทําให้คุณค้นพบว่าเคยมีความรักอยู่ตรงนั้นขนาดไหน พฤติกรรมที่น่ารำคาญบางอย่างของคนรักตอนอยู่ด้วยกันคุณจะรำคาญไม่เลิกต่อเมื่อจากกันไปคุณจะลืมความรู้สึกรำคาญเหลือแต่ความอาลัยและอยากมีโอกาสสัมผัสพฤติกรรมน่ารำคาญเหล่านั้นอีกบางคู่อยู่อย่างสังกตายแล้วคุณจะรักษาความสังกตายไว้เพื่อใครแทนที่จะลองให้การจากกันสร้างความแปลกใหม่หน้าค้นหาและให้มันบอกว่า ความสังกตายของการอยู่ร่วมกันทั้งหมดนั้นตกลงเรียกว่ารักได้ไหมความสังกตายอาจกลายเป็นภาพแห่งความทรงจำที่คุณเพิ่งรู้ค่าการเพ่งได้สํานึกรู้ค่าจะตามมาด้วยความคิดถึงแทบขาดใจการต้องทนนอนร้องไห้คนเดียวและการอยากกลับมาอยู่ด้วยกันอีกถึงกับอาจทำให้คุณแทบกินไม่ได้นอนไม่หลับ นี่คือความจริงคนบางคนอาจทำให้คุณนับวันรอว่าเมื่อไรจะถึงเวลาสิ้นสุดแต่เมื่อสิ้นสุดเข้าจริงๆเขาหรือเธอก็จะทำให้คุณนับวันรอว่าเมื่อไรจะถึงเวลาเริ่มต้นใหม่ตอนอยู่ด้วยกันผู้หญิงอาจกักขังผู้ชายไว้ด้วยความน่ารักหรือความน่าสงสารส่วนผู้ชาย ก็อาจกักขังผู้หญิงไว้ด้วยอำนาจเงินหรืออำนาจความป่าเถื่อนแต่สุดท้ายทุกคนก็กักขังตัวเองไว้ด้วยอำนาจกรรมที่ทำไว้กับคนอื่นนั่นเองความรุนแรงของความรู้สึกผิดจะเป็นตัวฟ้องว่าคุณเคยเลวร้ายกับเขาหรือเธอมามากน้อยแค่ไหนเวลาผ่านไปฝันร้ายของคุณ อาจพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนหลากรูปแบบแต่ทั้งหมดก็คือการวนเวียนซ้ทรากตอกย้ำความรู้สึกผิดเดิมๆที่มีต่อคนรักอยู่นั่นเองเมื่อใดที่เกิดมนโนภาพคนรักตกอยู่ในสภาพน่าสงสารซ้ำไปซ้ำมาทั้งที่คุณก็ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดหรือกระทั่งพยายามลืมแต่ก็ยิ่งจำนั่นแหละขอให้ทราบว่ากรรมเริ่มเล่นงานคุณทางใจแล้ว เมื่อใดมีใจตัวเองเป็นกรงเมื่อนั้นจะรู้ว่ากายดิ้นแค่ไหนหรือต่อให้เตลิดไปไกลสุดขอบโลกก็ไม่มีประโยชน์เลยไม่อาจพ้นจากสภาพถูกคุมขังเลยบางคู่น่าสงสารมากที่เป็นคู่เวรกันอย่างไม่รู้คู่เวร น, น่ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ไม่เคยทำบุญร่วมกันมานะครับเคยแต่ก็ทำบาปและจองเวรมากกว่า เรื่องของเรื่องคือเคยทำบุญเคยอธิษฐานขอเกิดร่วมกันแต่ลืมฝึกอยู่ร่วมกันแบบรองดองลืมช่วยกันรักษาศีลข้อกาเมพอมีชู้ให้จับได้ไล่ทันก็เจ็บใจกันแทบต้องฆ่าแกงเสร็จจากนั้นเจอกันใหม่ก็รักกันใหม่แล้วก็ทะเลาะกันใหม่หรือนอกใจกันใหม่พอห่างหายไปพักหนึ่ง เพียงเขาหรือเธอกลับมาหาด้วยท่าทีหน่อยๆเศร้าๆก็จะทนสงสารไม่ได้และเลือกจะทนต่อทั้งที่ไม่เหลือกำลังจะให้ทนอีกแล้วถ้ารู้ทางกรรมเส้นหน่อยตอนกลับมาดีกันอีกทีให้ต่ออายุรักด้วยความตั้งใจร่วมกันที่จะละบาปละเวรเลิกแล้วต่อกันเปลี่ยนเป็นตั้งหน้าตั้งตาคิดดีพูดดีทาดีต่อกัน การจากกาันชั่วคราวของพวกคุณจะเท่ากับเป็นการปล่อยให้ความรักตายไปเพื่อให้มันเกิดใหม่อย่างไร้มนทินในวันหนึ่งความเข้ากันไม่ได้โดยธาตุคนเราจะอยู่กับอะไรซ้ำซากจำเจก็ต้องเบื่อบ้างเป็นธรรมดาแต่จะดูว่าเบื่อจริงหรือเป็นเพียงอารมณ์หนึ่ง ก่อนอื่นคุณต้องทำความเข้าใจว่าจิตเป็นสิ่งบังคับไม่ได้ว่าจะให้รู้สึกอย่างไรแต่และความรู้สึกเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยซึ่งเหตุปัจจัยทงความรู้สึกไม่ได้มาจากคนรักเสมอไปชีวิตของคุณต้องเกี่ยวข้องกับอะไรมากกว่านั้นอย่างเช่นคุณกำลังเซงงานเงินน้อยอยากลาออกหันหน้าไปพึ่งใครไม่ได้แม้แต่คนร่วมเตียง แน่นอนคุณต้องเกิดอารมณ์พานและสําคัญว่าตนเองเบื่อคนรักเต็มประดาทั้งที่จริงตัวตนของเขาเป็นที่รักมาแต่ต้นและก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยแม้แต่น้อยเป็นใจคุณเองที่เปลี่ยนไปตามเวลาและเหตุการณ์อย่างนี้ถือว่าไม่เบื่อจริงแต่ถูกกิเลสบีบให้เบื่อชั่วคราวสําหรับการเบื่อจริงนั้นผู้ร้ายที่เป็นต้นเหตุของความสุดทน มักจะเป็นความเข้ากันไม่ได้ความเข้ากันไม่ได้หรือความมีเรื่องมีราวมีปากมีเสียงไม่รู้จักจบสิ้นเกิดจากเหตุหลายประการทั้งที่ลึกลับและเปิดเผยหากพวกคุณมีบาปเวรผูกกันมาการกลั้นใจให้อภัยไปเรื่อยๆอาจช่วยได้เพราะบาปย่อมหมดกําลังส่งผลเมื่อไม่มีการต่อเวร วันหนึ่งพวกคุณอาจอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุขเมื่อบาบเวรอ่อนกำลังลงกับทั้งได้แรงบุญใหม่ช่วยอุดหนุนให้ความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายสว่างสวยัยและพร้อมจะหวานชื่นขึ้ น, นกว่าเดิมแต่หากพวกคุณมีท่านนิสัยแตกต่างกันอันนี้คงแก้ยากเว้นแต่จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมละทิฐิมานะเปลี่ยนแปลงตัวเองตามอีกฝ่ายในทางดี ย้ำว่าต้องเป็นทางดีเท่านั้นนะครับถ้าเปลี่ยนไปในทางร้ายจะไม่ช่วยเลยที่เป็นเช่นนั้นเพราะเรารู้กันอยู่แล้วว่าแรงดึงดูดแบบรักแท้ถาวรต้องสร้างด้วยบุญไม่ใช่ด้วยบาปการเปลี่ยนแปลงตามกันไปในทางมืดอาจเป็นแรงดึงดูดให้ร่วมหัวจมท้ายกันต่ออีกพักหนึ่งเพื่อทำเรื่องเลวๆร่วมกันอีก ก่อนจะแปลเป็นพลังผลักออกอย่างรุนแรงและน่ากลัวสำหรับคู่ที่รู้ว่าจะไปไม่รอดแน่อาจเคราะหภาพลวงตาที่เข้ากันได้หายไปและกลายเป็นภาพความจริงคือไม่มีอะไรที่ไปด้วยกันได้เลยเช่นนี้คุณควรคิดเองให้ได้ว่าจากการเสรก่อนจะหมดรักดีกว่าหมดรักแล้วค่อยจากกันคำบอกลาที่ดีที่สุด คือคำที่กลั่นออกมาจากน้ำใจน้ำใจจะเป็นตัวเลือกคำพูดได้ดีที่สุดในโลกคำลาที่ประกอบด้วยหยดน้ำตาอาจน่าซึ้งใจแต่การบอกเลิกด้วยวิธีบีบน้ำตาแสดงละครเยิ่นเยอะจะน่ารำคาญมากกว่ามีประโยชน์เมื่อคุณทำใจได้ดีปากก็พูดได้ดีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องพูดความในใจทั้งหมด ขอเพียงให้ปากตรงกับใจทั้งหมดเถอแล้วสติจะอยู่เป็นเพื่อนคุณหลังคุยจบคำพูดลาอาจเป็นคำที่เ อ, อ่ยได้ยากที่สุดนับแต่คบกันมาแต่ถ้าคุณไม่ตกลงปลงใจให้เด็ดขาดคุณอาจต้องประสบกับช่วงเวลาลำบากกายลำบากใจที่สุดนับแต่เกิดมาทีเดียวหัวข้อ ทำใจกับการสูญเสียช่วงของการตัดขาดกันเลิกเป็นคนรักกันจิตใจคุณจะปั่นป่นปวนสับสนกลับไปกลับมาระหว่างอาหวสิกับคิดแค้นเหมือนหัวใจไม่ใช่ของคุณนั่นเพราะความจำจะมีอิทธิพลกับใจอย่างที่สุดในช่วงนี้และเมื่อมีความทรงจำด้านดีกับด้านร้าย คุณก็ย่อมรู้สึกดีบ้างร้ายบ้างเป็นธรรมดาทางออกที่สวยงามที่สุดคือหากเดินทางเข้าวัดเพื่อไปทำบุญคนเดียวโดยมีเจตนาว่าจะให้ความสุขสดชื่นอันเกิดจากการทาบุญสาเร็จตามลาพังเป็นพลังให้ยืนหยัดอยู่คนเดียวด้วยความเข้มแข็งระหว่างไปทาบุญคนเดียวถ้าเหงาให้มีสติรู้ว่าเหงาและเอาใจไปจดจ่อกับการทาบุญ คุณจะรู้สึกถึงความแช่มชื่นที่กลบทับความหดหู่เสียได้หากพบว่าได้ผลขอให้ทำบุญคนเดียวเรื่อยๆอาทิตย์ละครั้งน่าจะกำลังดีไม่ต้องลงทุนด้วยเงินมากๆให้ใช้กำลังใจมากๆแทนก็แล้วกันถ้ารู้ว่ามีงานสงเคราะห์ที่ไหนให้รีบไปโดยไม่ต้องชวนใครสักระยะผลบุญที่เกิดขึ้นจากการเดินทางเองคนเดียวอย่างเป็นสุขหลายครั้ง จะบรรดาลให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นว่าการอยู่คนเดียวไม่ได้หมายความว่าต้องเหงาต้องเศร้าอย่างที่นึกคร่ำครวญไปเองเลยไสยศาสตร์มีจริงได้ผลจริงแต่ก็ทำให้สวยจริงไม่รู้จบรู้สิ้นเหมือนกันแถมไม่ใช่ทางมาของรักแท้ด้วยอย่างดีก็ได้แค่รักเก้ชั่วคราวเท่านั้นฉะนั้น ห้ามคิดถึงของต่ำจำพวกสยเวทเรียกผัวเรียกเมียคืนเป็นอันขาดจำไว้ว่าทำใจได้ก็เจอคนใหม่ได้ให้ตัวคุณในวันนี้เป็นคนจัดการอย่าให้ตัวคุณที่ตายไปแล้วเมื่อวานเป็นคนเลือกเพราะมันจะเลือกใครที่ตายจากความเป็นคนรักของคุณไปแล้วซ้ำไปซ้ำมาอยู่นั่นเอง สิ่งดีๆที่ผ่านไปอาจเปิดทางให้สิ่งดีกว่าที่กำลังจะผ่านเข้ามาหากคุณมัวแต่เสียดายของเก่าแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าของใหม่น่าเสียดายยิ่งกว่าหรือเปล่าเมื่อลากันด้วยความรู้สึกดีๆคุณจะเหลือความรู้สึกดีๆให้ตัวเองมากพอจะเชื่อว่าการเริ่มต้นใหม่ยังดีได้อยู่ ตลอดจนพร้อมจะเริ่มกับคนโชคดีที่จะได้คุณไปในรูปแบบใหม่ที่ดีขึ้นแต่ถ้าลากันด้วยความรู้สึกแย่ๆคุณจะกลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายแม้แต่เงาตัวเองในกระจกก็ดูแย่และร้ายกาจและคุณจะเอาความเชื่อมาแต่ไหนเกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าและคนโชคดีที่จะได้คุณเป็นรายต่อไป หากการจากลาคือจุดเริ่มต้นของการทบทวนตนเองก็นับเป็นการจากลาที่คุ้มค่าหลายคนเป็นพวกความรู้สึกช้าต้องจากกันไปเสีก่อนถึงจะนึกออกว่าคนรักมีคุณงามความดีขนาดไหนน่าสงสารเพียงใดกับการต้องอดทนอยู่กับความเห็นแก่ตัวของตนความสำนึกผิดต่อผู้โชคร้ายในวันก่อนจะกลายเป็นตัวสร้างพ่อพระแม่พระ ให้กับผู้โชคดีในวันหน้าระหว่างรอคนรักใหม่ด้วยความเป็นผู้ใหญ่กว่าเดิมลองยืนอยู่ด้วยขาของตัวเองที่ปราศจากคนรักพยุงลองนึกถึงขาของตัวเองว่ายืนตรงโดยปราศจากไม้เท้าช่วยค้ำรักแร้ได้ไหมถ้าขาของคุณทำได้ใจของคุณก็ต้องทำให้ได้อย่างนั้นเช่นกัน วาทะความรักความโหดร้ายที่สุดคือการหลอกตาด้วยของจริงภาพที่ปรากฏในวันสุดท้ายจะบีบให้คุณอยากเชื่อว่ารางวัลของความเหนื่อยที่ทุ่มให้กับรักแท้ทั้งหมดคือการจากลาชั่วนิรันดรหัวข้อจากตายพระพุทธเจ้าตรัสว่า ความรักจะเกิดขึ้นได้ต้องประกอบด้วยเหตุสองประการเหตุแรกคือเคยอยู่ร่วมกันในปางก่อนเหตุที่สองคือเกื้อกูลกันในปางนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วถ้าไม่ตายจากกันคุณจะเอาเหตุแรกมาแต่ไหนความตายเป็นส่วนหนึ่งของความรักนี่นับเป็นสัจจะความจริงอันยิ่งใหญ่สุดท้ายปลายทางของชีวิตคุณทั้งสองจะตอบได้ว่า คนเรามีรักแท้ไปทำไมรักแท้จะทำให้ใจคุณนิ่งไม่ซัดสายไม่หลงทางและไม่มืดยามตายสิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุดคือการรักษารักแท้ไว้รอพบจุดจบที่งดงามเพื่อการเริ่มต้นด้วยตัวตนใหม่อันไม่เป็นที่รู้ว่าที่ไหนและเมื่อใดแค่รู้เท่านั้นว่ารักแท้จะรออยู่ที่นั่นเสมอ ถ้าคุณมีคนรักที่กำลังจะตายคุณอาจเห็นความตายเป็นศัตรูอยากต่อสู้กับมันแต่การต่อสู้กับความตายนั้นไม่อยากแพ้ก็ต้องแพ้ฉลาดแค่ไหนก็เอาชนะไม่ได้เพราะกำเนิดชีวิตคือจุดเริ่มต้นนับถอยหลังสู่ความตายความตายมันแฝงอยู่แล้วในความเกิดระหว่างมีชีวิตคุณจะเรียนรู้วิธีเตรียมใจทันหรือไม่ทันเท่านั้น หากเตรียมใจทันคุณจะเห็นความตายเป็นครูและสอนวิชาเห็นตามจริงได้ดีที่สุดในโลกความจริงมีอยู่ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วต้องดับเป็นธรรมดาใจที่ยึดมั่นถือมั่นมากเท่านั้นจะทำให้กลายเป็นเรื่องผิดปกติไปนี่เป็นมุกเด็ดของธรรมชาติคือแกล้งให้พวกคุณรู้สึกว่าจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วตายแล้วตายเลย เหมือนหายสาบสูนย์ไร้ร่องรอยใดๆนั่นเองคนอยู่ข้างหลังจึงอดร้องไห้ไม่ได้เพราะกลัวไม่เจอกันอีกและเหมือนต้องทําอะไรต่างๆอยู่คนเดียวไปจนสิ้นกาลนานยังมีอีกเหตุผลหนึ่งที่ควรร้องคือเสียใจที่ทําอะไรให้คนรักน้อยไปคุณไม่รู้หรอกว่าคุณและคนรักทําอะไรไว้ให้แก่กันมากเกินหรือน้อยไปเพียงใด จนกว่าคนรักของคุณจะหายไปแบบไม่มีวันกลับมาอันที่จริงความรู้สึกผิดล้วนแล้วแต่จะเป็นตัวกาหนดว่าเมื่อเกิดใหม่คุณจะอยากทำอะไรให้คนรักเพราะสิ่งที่อยากทำให้กับคนรักจะถูกระดมมาชุมนุมอย่างหนานแน่นในช่วงรอเวลาตายนั่นเองเมื่ออยากทำอะไรดีๆในช่วงใกล้ตาย ยอมบันดาลให้ได้ทำจริงในชีวิตหน้าความตายคือการล้างความจำให้หมดเสียก่อนคิดดูนะครับว่าถ้าไม่ตายคุณก็จะเคยชินกับการอยู่ร่วมกันแบบเดิมๆไปเรื่อยๆและถ้าไม่ลืมยังคงจำได้เท่าเดิมการพบกันใหม่ก็จะมีค่าเท่ากับพบเดิมอีกเพราะต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจความเคยชินเดิมๆอยู่นั่นเอง สวยบุญชุดเก่าไม่เลิกราอยู่นั่นเองไม่เปิดโอกาสให้บุญใหม่ๆได้แสดงบทเสียบ้างจะวัดว่าทำอะไรให้กันและการดีพอหรือยังดูที่ตอนจบก็ได้ชีวิตคือเกมเกมหนึ่งถ้าตอนจบดีก็ให้นับว่าชนะไม่ต่างจากเล่นกีฬาหรือระหว่างเล่นจะล้มลุก ค, คลุกคลานติดพลาชกาศกันปาไหน ถ้าตอนจบฉวยโอกาสทองทันก็ถือว่าคุณเป็นผู้ชนะอยู่ดีจบดีแบบรักแท้คือรู้สึกดีต่อกันและมีกำลังใจรอเจอกันใหม่อีกชัยชนะในเกมรักจึงหมายถึงการที่พวกคุณจะได้ไปเปิดสักการะพบรักใหม่อย่างเป็นสุขจะเคยทุกข์ร่วมกันมาเพียงใดไม่ต้องเอามานับแล้วลืมไปให้หมดได้แล้ว รูปกายกับดวงจิตในพบใหม่เป็นผลของกรรมในชาตินี้พูดอีกทีได้ว่าการกระทําของคุณทั้งหมดตั้งแต่จําความได้ก็คือมนเนรมิตตัวตนใหม่กายใจใหม่ขึ้นมานั่นเองฉะนั้นเมื่ออยู่กับใครมานานมีกรรมสัมพันธ์ร่วมกันมามากก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่เจอกันอีกพวกคุณจะมีกายใจใหม่เพื่อกันและกัน เหมือนสั่งสมแรงแม่เหล็กไว้วันต่อวันพราะเกิดใหม่ยอมล้นไปด้วยพลังแม่เหล็กดึงดูดสะสมอย่างไรก็ต้องดึงดูดให้เข้ามาติดกันอีกแน่ๆถ้าเชื่อมั่นว่าระหว่างอยู่ด้วยกันต่างฝ่ายต่างเป็นแรงบันดาลใจให้อยู่อย่างสว่างก็ยอมหวังได้ว่าจะพบกันในความสว่าง รูปชีวิตต่อไปของพวกคุณจะถูกตกแต่งให้เป็นที่สบายและแม้เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่สายตาของพวกคุณจะมองไม่เห็นตัวเลือกอื่นบุญก็จะคุมไม่ให้พวกคุณตัดสินใจผิดคิดเลือกใครมาแทนคู่แท้เลยแม้ตัวเลือกจะมากมายขนาดไหนก็ตามทิ้งท้าย หวังว่าบทนี้คงช่วยให้คุณมองเห็นค่าที่มีอยู่ตามจริงของการจากกันได้บ้างความตายคือการต่ออายุให้กับรักแท้แต่ความเป็นอมตะของชีวิตจะฆ่ารักแท้ด้วยสองดาบคือความเบื่อหน่ายและความชาชินเมื่อคุณเห็นแล้วว่ารักแท้มิใช่การอยู่ร่วมกันตลอดไปโจทย์สําคัญข้อต่อไปคือ จะเอาอย่างไรดีถ้าเบื่อหน่ายวังวนแห่งการพบแล้วพลากเต็มทีแล้ววาทะความรักไม่มีใครรักจะเป็นทุกข์ แต่ทุกอันใดเล่าจะเท่ารักบทที่6รักเหนือรักหากมีวาสนาเก่ากับความเพียรใหม่กระทั่งได้พบและสามารถเลี้ยงดูรักแท้ก็คงเป็นแรงบันดาลให้พวกคุณเต็มใจเกิดตายไปเรื่อยๆเพื่อรักษาความเป็นอมตะแห่งรักแท้เอาไว้แต่ความจริงก็คือ การเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้อิโนอิเนนี้หาใช่มีแต่รักแท้ให้คุณชื่นชมรักแท้เป็นเพียงเหยื่อล่อให้เวียนวนอยู่ในมหาสมุทรแห่งทุกพบทุกนานาเสีย99ส่วนจึงพบสุขล่อใจจากความรักสักหนึ่งส่วนแต่เพียงหนึ่งในร้อยส่วนนั้นมีพลังมากพอจะทำให้คุณยอมทนแล้วกับการแบกรับความลาบากทางกายความโทมนัสทางใจ ความมีใจแห้งเหี่ยวความคร่ำครวนความคับแค้นความไม่ได้อย่างใจความจำใจประสบสิ่งไม่น่าพิศมัยและความจำใจพลัดพรากสิ่งที่รักข้อหลังนี้แหละสาหัสที่สุดโหด ร, ร้ายที่สุดเพราะไม่ว่าจากเป็นหรือจากตายอย่างไรก็ต้องจากกันบทนี้จะชวนคุณหาวิธีรักอีกแบบหนึง่งที่เหนือขึ้นไปกว่ารักด้วยกิเลส คือให้คุณได้ทางเลือกครบสมบูรณ์คือเห็นว่ามีการจากกันอีกแบบหนึ่งที่เปรียบเสมือนน้ำหลากสายไหลไปรวมในมหาสมุทรเดียวและไม่ต้องจากกันอีกเลยตลอดอนันตกาลวาทะความรักคุณอยู่กับความไม่รู้มากกว่าอยู่กับคนรักรู้ไหม คนรักเป็นอะไรให้คุณได้บ้างถ้ามองมุมกว้างครอบจักรวาลอย่างที่สุดตามพระพุทธเจ้าพวกเรากำลังหลงติดไหววนอยู่ในการเกิดตายเกิดด้วยความลืมอดีตตายอย่างไม่มีทางเลือกอื่นมากไปกว่าถูกกรรมเวียงไปเกิดใหม่ความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์กายใจต่างๆล่อให้หลงนึกว่ามีเราเกิดมานึกว่ามีเราตายไป นึกว่าเราได้คนรักมานึกว่าเราเสียคนรักไปโดยย่นยอ่อกายใจนี่เองคือทุกทั้งแท้งเช่นนี้แล้วสิ่งใดที่เป็นเหยื่อล่ออันดับหนึ่งให้หลงติดอยู่กับความไม่รู้ว่ากายใจเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็คือมหันตภัยที่ใหญ่กว่าอะไรทั้งหมดแล้วคนรักของคุณชวนให้หลงนึกว่ากายใจเป็นของดีหรือเห็นตามจริงว่า กายใจเป็นทุกข์เล่าคนที่คุณรักและรักคุณอย่างที่สุดคือบุคคลหน้าปรารถนาสูงสุดเมื่อเทียบกับบุคคลอื่นๆในโลกแต่ขณะเดียวกันก็คือกับดักที่ทำให้คุณดิ้นไม่หลุดด้วยเช่นกันถ้ามองอย่างรู้จักแค่การมีชีวิตเดียวคนรักคือคนที่น่ารักที่สุดแต่ถ้ามองอย่างคนกําลังศึกษาว่าชีวิตคือส่วนหนึ่งในปฏิกิริยาลูกโซ่แห่งทุกข์ คนรักคือกับดักที่แกะยากที่สุดเมื่อพบรักแท้คุณจะรู้สึกว่าความรักเป็นสิ่งน่าฝากใจคือความปลอดภัยไร้กังวลและไม่ชวนให้คิดแสวงหาความสุขอื่นที่เหนือกว่าความหลงนึกว่ารักแท้คือที่สุดแห่งสุขนั่นแหละสัญญาณบอกว่าคุณติดกับเข้าแล้วอย่างจังที่แท้แล้ว แม้แต่คนรักเองก็อาจพลิกผันเป็นทุกข์หรือกระทั่งเป็นภัยต่อคุณได้ทุกเมื่อด้วยความที่ต่างฝ่ายต่างก็เชื่อกิเลสที่ขับดันให้งับเหยื่อล่อเฉพาะหน้ามากกว่าอย่างอื่นอยากลองรถใหม่ก็ไปมีชู้โกรธขึ้นก็ตึงตังทุบตีกันไม่มีรักแท้ของใครโดนใจให้คู่รักมีสติและรู้จริงอยู่เสมออย่างไรก็ต้องเผลอทาตามอานาจกิเลสวันยังค่า ถ้าคุณเคยหลงทำบุญใหญ่กับเขาหรือเธอแม้ทะเลาะเบาแหวงถึงขั้นอยากฆ่ากันสุดท้ายบุญเก่าก็บรนดานให้รู้สึกว่าทิ้งกันไม่ลงอยู่ดีอย่างนี้พอจะทำให้คุณรู้สึกถึงความเป็นกับดักได้ชัดขึ้นไหมและการทำบุญร่วมกันก็ไม่ได้จำกัดว่าต้องทำกับคนเดียวนะครับเจอกี่คนคุณก็ทำด้วยหมดนั่นแหละจะมากหรือน้อยเท่านั้น ซึ่งมันก็เป็นไปได้ที่จะอธิษฐานมั่วขอสองราจงติดตามกันไปจนชั่วฟ้าดินดับเกิดเท่าไรเจอเท่านั้นถ้าชาติไหนเจอคู่สัญญาเก่าเข้ามาทวงพร้อมกันคุณก็ต้องเป็นทุกข์ลว่าจะทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับใครดีชาตินั้นๆจะกลายเป็นสนามแข่งบุญเก่ากันโดยไม่มีผู้เข้าแข่งรายใดรู้ตัวถ้าสักชาติหนึ่ง คุณเคยเป็นชายวาสนาน้อยหาผู้หญิงมาชอบไม่ได้แล้วเกิดเลื่อมใสในการทำบุญตลอดชีวิตทำบุญด้วยเจตนาขอมีสาวเยอะๆไปทุกชาติผลของบุญจะทำให้เกิดใหม่เตะตาเตะใจสาวต่อให้ไม่หลอกก็มีกลิ่นกายในแบบยั่วสาวให้เกิดอารมณ์ได้หรือมิสเสน่ห์ลึกลับอันยากจะอธิบายเอาเป็นว่าดึงดูดสาวได้มากมายเหมือนขุนแผน ซึ่งก็ไม่ใช่มีแต่ดีนะครับเพราะต่อให้เบื่อหน่ายกามหลากสีสันอยากหยุดเพื่อจริงจังกับใครสักคนใจคุณก็จะไม่ยอมลงด้วยความติดใจและต้องการลิ้มรสหวานของสาวหน้าใหม่ร่ำไปซึ่งถ้าดวงไม่ดีรักจะเป็นนักดาบฟันดะไม่เลือกหน้านานเข้าก็อาจเจอฟันกลับด้วยดาบของจริงเข้าให้สักวัน เซ็กเป็นเรื่องคอขาดบาดตายในชีวิตคู่ถ้าไม่ถึงใจก็ทําให้คนส่วนใหญ่หน่ายแนงบางครั้งเหตุของความไม่ถึงใจอาจเกิดจากความไม่ต้องตากับรูปภัณฑ์สันฐานของคู่ขาแต่บางครั้งก็เกิดจากการที่เคยเป็นญาติกันในชาติใกล้ทําไปทํามารู้สึกไม่ดีเหมือนมีความสัมพันธ์ผิดผิดอยู่กับพี่น้องตัวเองหรือหนักกว่านั้นคือเหมือนพ่อแม่ลูก ต่อให้เอาไปให้จิตแพทย์วินิจฉัยอย่างไรก็ไม่มีวันเจอต้นต่อของความผิดปกติทางจิตเพราะจิตแพทย์เองก็ระลึกชาติไม่ได้เหมือนกันถ้าคู่ของคุณพลาดไปทํำบาปอะไรเข้าแม้คุณอยู่ดีๆก็ต้องพลอยได้รับผลกระทบไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นไปโกงแชร์ชาวบ้านไว้เวลาชาวบ้านแห่มาที่บ้าน เขาก็ต้องชี้หน้าด่าคุณด้วยหาว่าผัวเมียกันอย่างไรก็ต้องรู้เห็นเป็นใจวันยังคำ่ำจะมาปฏิเสธเป็นคนอื่นคนไกลไม่ได้คุณไม่มีทางรู้ได้เลยนะครับว่าคนรักของคุณเคยก่อเรื่องไว้ที่ไหนบ้างและจะก่อเรื่องเข้าให้อีกเมื่อไรลากให้คุณต้องพลอยฟ้าพลอยฝนรับผลกระทบเพียงใดตอนอยังไม่โดนก็อาจบอกว่าไม่กลัว ในเมื่อรักจริงเสยอย่างแต่พอโดนขึ้นมาถ้าหนักหนาสาหัสก็ร้องโอ้กเป็นวัวถูกเชือดกันทุกรายการเกิดเป็นมนุษย์นั้นไม่ได้หมายความถึงความมีอิสระที่จะเลือกคู่โดยไม่มีสายตาอื่นคอยดูอยู่เวลาคุณคิดคุณจะคิดว่าตัวเองอุตสาตั้งใจจริงกับคนรักเพียงใดแต่เวลาพ่อแม่ของคนรักมอง พวกเขาจะมองว่าคุณสามารถดูแลลูกของพวกเขาได้แค่ไหนหากไม่พอใจคุณก็อาจจอดหรือไม่ก็ต้องพาหนีให้เป็นที่รู้สึกผิดรู้สึกบาดหมางกันต่อไปแล้วตอนเลือกคุณจะเลือกด้วยเหตุผลอันใดก็ตามใช่ว่าพอแต่งแล้วเหตุผลอันนั้นจะอยู่ช่วยเป็นเสาค้ำเรือนหอให้มั่นคงคู่ฟ้าดินเสมอไป สมมุติว่าคุณเลือกผู้หญิงคนหนึ่งเพราะเธอเป็นนางงามจักรวาลคุณก็อาจได้พบสัจธรรมหลังแต่งงานว่าผู้หญิงบางคนพอท้องโย้ขึ้นมาจะหน้าแก่ลงทันทีและไม่กลับสาวขึ้นมาใหม่อีกเลยถ้าบังเอิญผู้หญิงที่ว่ามาลงแจ็คพอตเอากับคุณคุณจะได้ตะ บ, บุนไปจนชั่วชีวิตว่าที่บางคนทำไมลูกสองแล้วยังแต่งตึงไฉไลราวกับสาวแรกรุ่นนี่แหละ คุณไม่มีทางรู้ล่วงหน้าว่าจะเจอแบบไหนหากโชคดีอยู่กันยืดถึงขั้นถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรภาวะคู่จะไม่ใช่แค่ภาวะอะไรอย่างหนึ่งแต่เป็นชีวิตอีกแบบที่อาศัยคนสองคนเป็นส่วนประกอบซึ่งจุดสุดท้ายเมื่อมัจจุราชมาริบเอาคนคนหนึ่งออกไปก็เท่ากับชีวิตแบบนั้นหายไปด้วย เมื่อชีวิตแบบนั้นไม่มีอีกแล้วคุณจะรู้สึกเหมือนตัวเองตายตามคล้ายหมดเรียวแรงหมดกำลังจะอยู่ต่อที่ยังเห็นอยู่เป็นแค่ซากของอีกซีกชีวิตที่รอเวลาตรอมใจเมื่อวางวายตามในอีกทางหนึ่งแม้สะสมความรักมาหลายสิบปีแต่ก่อนตายถ้าพลาดพลั้งไปมีความน้อยเนื้อต่าใจ ละทวีขึ้นเป็นความอาฆาตแค้นก่อนจิตดับอย่างนี้ก็ซวยเลยครับเพราะจิตก่อนดับมีความหนักแน่นมากสามารถเป็นหัวขบวนรถจักรชุดลากไปสู่ภูมิต่ำหรือภูมิสูงก็ได้หากหัวจักรนั้นสร้างขึ้นด้วยโทสะก็ยอมเข้าสู่อบายภูมิอันมีความเร่าร้อนสอดคล้องกันและเมื่อเข้าสู่อบายภูมิด้วยเหตุคือคนรัก ก็ยอมกลายเป็นปมความรู้สึกร้ายๆต่อกันฝังแน่นไปอีกไม่รู้กี่พบกี่ชาติอย่างนี้เหมือนอุตสาหเล่นหมักรุกดีมาทุกตาแต่ดันพลาดท่าเสียทีแค่ตาเดียวตอนใกล้จบเกมจากชนะใสๆก็กลายเป็นแพ้แบบตะลึงโลกไปได้ยิ่งกว่าความไม่รู้เกี่ยวกับคนรักยังมีใครต่อใครในชีวิตที่คุณจำไม่ได้ด้วยซ้าว่าเป็นจานวนเท่าไหร่ าการรอหยิบยื่นเรื่องน่าแปลกใจให้คุณไม่เว้นแต่ละวันแต่ละคนเต็มไปด้วยเรื่องที่คุณไม่เข้าใจไม่รู้เห็นเช่นเดียวกับความลึกลับของแผ่นดินแผ่นฟ้าดวงดาวและจักรวาลจนกระทั่งถึงยอดสุดของความน่าประหลาดใจนั่นคือความมีตัวคุณความมีตัวคุณ ธรรมชาติโกหกหลอกลวงให้คุณเชื่อว่าทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นจากพ่อแม่โดยบีบให้มนุษย์เห็นได้แค่นั้นกี่คนกี่คนเกิดมาก็โดยวิธีออกจากท้องพ่อท้องแม่เท่านั้นไม่เห็นจะมีกระบวนการอื่นใดก่อนหน้าเลยความจริงกระบวนการปฏิสนธิมีอะไรมากกว่าสิ่งที่ตาเห็นและลึกลับเกินกว่าวิทยาการล้ายุคอันใดจะตรวจสอบคุณไม่ได้เป็นแค่ผลผลิตของพ่อแม่ แต่ยังเป็นทายาทรับกรรมที่ตัวตนเก่าสร้างเอาไว้ด้วยบุญจะสร้างวิญ ญ, ญาณระดับสูงพอจะอย่างลงในคันมานดาและนั่นก็เป็นจังหวะที่วิทยาศาสตร์รู้กันว่าอสุจิผสมกับไข่สุกได้แต่สิ่งที่วิทยาศาสตร์ไม่รู้ก็คือหากปราศจากวิญญาณอย่างลงมาก็ไม่มีทางที่อสุจิจะผสมกับไข่ได้ตัวอ่อนขึ้นมาเลย แม้จะพยายามใช้เทคนิคมหัศจรรย์ปาไหนก็ตามและที่สุดของความไม่รู้คือความมีตัวคุณเช่นนี้น่าพอใจหรือน่าแนหนงหน่ายกันแน่ข้อสุดท้ายอันเป็นที่สุดนี้ถ้ามีหลักเกณฑ์ชัดเจนสักหน่อยก็คงทราบครับแต่ถ้าวัดเอาตามความพอใจตามอารมณ์และตามความไม่รู้เรื่องเงื่อนไขของการเวียนว่ายตายเกิดคนส่วนใหญ่จะบอกว่า ชีวิตเป็นของน่าพอใจนั่นก็เพราะพบมนุษย์เป็นสุขติภูมิมีความน่าพอใจอยู่มากแต่หากได้รู้ว่าพวกเรามีสิทธิ์ร่วงหล่นลงไปเป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการความน่าพอใจของการเวียนว่ายตายเกิดจะลดระดับลงอย่างหวบห้าบทันทีสรุปคือ การไม่รู้ว่าคนรักเป็นกับดักให้ติดอยู่ในวังวนเกิดตายเป็นเหยื่อล่อให้แหวกว่าอยู่ในทะเลทุกเลือกไม่ได้และไม่อยากรับรู้อะไรมากไปกว่าจะอยู่กับคนรักให้ได้นั่นแหละที่ทำให้คุณได้ชื่อว่าอยู่กับความไม่รู้มากกว่าอยู่กับคนรักวาทะความรักผลข้างเคียงของบุญเก่าอันใหญ่โต คือความมีความพรักพร้อมจะทำบาปใหม่ได้หนักยิ่งมาเห็นกันให้ถึงกึืนกันตั้งแต่รากเหง้าเลยดีกว่าความเหงาทำให้คุณอยากมีคนรักและอยากเป็นที่สนใจของคนรักทำให้คุณอยากมีสเสน่ห์ความอยากมีสเสน่ห์บีบให้คุณต้องทำบุญเพราะแลไปมีแต่บุญเท่านั้นที่เป็นแหล่งกำเนิดสูงสุดของสเสน่ห์ทุกชนิด ถ้าตลอดชีวิตของคุณได้บริจาคทานอย่างสม่ำเสมอแถมเป็นทานที่ประกอบด้วยความเลื่อมใสในการให้พลังบุญจะบรรดาให้เกิดใหม่มีผิวพรรณงามเลิศสวยหล่อสมกับเพศกับทั้งมีความมั่งคั่งสมบูรณ์พูนสุขเป็นบารมีติดตัวและดูตามจริงเถอะครับคนที่หล่อสวยรวยเก่งครบสูตรนั้นคุณเห็นใครดีมาแต่เกิดบ้าง ส่วนใหญ่จะหลงตัวและอาศัยคุณสมบัติล้ำเลิศที่ตนมีเพื่อการหลอกใช้คนอื่นหลงนึกว่าตนเป็นเทวดาเหนือมนุษย์หรือไม่ก็ถางทางสู่อำนาจด้วยวิถีทางการทำเงินผิดๆกันเกือบทั้งสิน้นถ้าจะเพิ่มเสน่ห์อย่างชายให้มากก็ต้องมีความเป็นผู้นำมากๆพอเหลืองหรือเพลินหน่อยก็พลิกจากผู้นาเป็นเผด็จการบ้าอานาจ หรือกระทั่งติดนิสัยไปเป็นทรราชได้เลยเห็นไหมว่าพลิกจากบุญนิดเดียวมันกลายเป็นบาปได้ง่ายๆเลยสเสน่ห์และสเสนีย์จึงอยู่ใกล้ตัวคุณนิดเดียวคุณไม่มีทางคิดดีอย่างเดียวธรรมชาติของกิเลสมักไม่เอือ้อและนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมทุกคนจึงต้องมีวันขึ้นวันลงมีดวงขึ้นดวงตกสลับกันตลอดศก ที่กล่าวมาเป็นแค่ภาพคร่าวของผลข้างเคียงแห่งบุญอันทาคนเดียวรับคนเดียวนะครับเดี๋ยวจะฉายภาพคร่าวให้เห็นอีกว่าผลข้างเคียงแห่งบุญอันเกิดจากการร่วมกันทำเป็นอย่างไรคุณทำบุญร่วมกับใครกิริยาที่ทำร่วมกันจะเป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์ให้เป็นไปตามนั้นเช่นถ้าช่วยกันคนละไม้คนละมือเห็นพ้องต้องกันไม่มีความขัดกัน ก็จะเป็นเหตุให้ปลองดองฟังเหตุฟังผลของอีกฝ่ายกับทั้งมีความคิดไปในทางเดียวกันร่วมแรงร่วมใจทําอะไรก็สําเร็จเสมอแต่ในทางกลับกันหากคุณมีโอกาสร่วมบุญกับใครบ่อยๆลราติดนิสัยทําบุญกันไปทะเลาะกันไปนึกว่าไม่เป็นไรไม่มีผลแต่ที่ไหนได้ครับผลบุญอาจทําให้พวกคุณได้อยู่ร่วมกันในบ้านใหญ่โตทว่าจะเป็นบ้านที่ร้อน ด้วยเสียงแห่งความขัดแยง้งหรือพวกคุณอาจอยากทำธุรกิจร่วมกันแล้วก็ขัดแข่งขัดขากันเองจนบริษัทไปไม่รอดยิ่งบุญหนักเท่าไรอิทธิพลก็ยิ่งใหญ่เท่านั้นทั้งทางบวกและทางลบแค่ทำบุญอย่างไม่ระวังไม่สํารวมต่อสถานที่ไม่เคารพสมณนะไม่สามัคคีกับเพื่อนร่วมบุญ ล้วนแล้วแต่ให้ผลร้ายอย่างคาดไม่ถึงทั้งสิน้นแต่ด้วยความไม่รู้คุณจะนึกอยู่แต่ว่าไปทำบุญคือได้บุญและได้เหมือนเดิมเพิ่มทุกครั้งมันไม่ใช่เลยครับต้องดูใจคุณเป็นครั้งครั้งไปด้วยหากใจเป็นบาปขณะทำบุญบางทีจะให้ผลร้ายเสยยิ่งกว่าตอนทำบาปตามปกติเสยอีก แล้วทุกชาติที่เป็นมนุษย์อันครึ่งรู้ครึ่งหลงนี่นะครับส่วนใหญ่ถ้าเชื่อจะเชื่อเรื่องบุญแต่ไม่เชื่อเรื่องบาปฉากหน้าบางคนดูธรรมะธรรมโมมากแต่เบื้องหลังเต็มไปด้วยความเน่านายอย่างหน้าตะลึงอึง้งเพราะพวกเนี้ยหกใจอยู่แต่ว่าฉันทำดีฉันทำบุญใหญ่อย่างไรก็ต้องขึ้นสวรรค์ไม่รู้เลยว่าบาปที่ก่อมีน้าหนักขนาดไหนแล้ว ถ้าบาปเสมอกับบุญก็กลับมาอยู่ในโลกมนุษย์แบบครึ่งหนึ่งทุกหนักอีกครึ่งหนึ่งสุขมากแต่ถ้าบาปมีกำลังเกินบุญก็จบเลยเหมือนตุ้มถ่วงที่ฉุดบอลลูนไม่ให้ขึ้นฟ้าแถมจะทลาลงเหวเอาสรุปคือการทำบุญนั้นได้ผลเป็นความสุขความเจริญแน่แต่ไม่เป็นหลักประกันเลยว่าคุณจะปลอดภัยไร้กังวลตลอดไป กลับจะยิ่งเสี่ยงกับการมีโอกาสทําบาปหนักในเมื่อถึงเวลารับผลบุญนั้นคุณหลงลืมไปหมดแล้วว่าได้อะไรอย่างนี้มาอย่างไรรู้แต่ว่ามีดีก็ใช้ความมีดีนั้นทำเรื่องร้ายๆสนองตัญหาซะวาทะความรัก การเดินทางไปเรื่อยๆคือการเสี่ยงไปเรื่อยๆการเดินทางชั่วนิวรันด์ฟังชวนฝันและก่อให้เกิดจินตนาการใช่ไหมครับโดยเฉพาะสำหรับคู่รักที่กำลังอยู่ในอารมณ์หวานคําว่าการเดินทางชั่วนิวรันด์คงทำให้นึกถึงเส้นทางสายยาวสู่หมู่ดาวไร้ที่สิ้นสุดแต่ขอโทษที แบบนั้นมันแค่จินตนาการระหว่างเป็นมนุษย์เท่านั้นในความเป็นจริงการเดินทางเป็นอนันตการคือฝันร้ายชนิดต้องดิ้นไม่หยุดต่างหากพบมนุษย์เป็นเพียงสถานีให้ลงเก็บสเสบียงคุณจะมีสิทธิ์เป็นมนุษย์ได้อีกก็ต่อเมื่อเก็บสเสบียงได้มากพอมิฉนั้นการเดินทางสู่หมู่ดาวในจินตนาการจะแปลเป็นการเดินทางไปสู่ายนรก หรือไม่ก็กองขี้กองเยี่ยวของสัตว์เดรัจฉานหรือไม่ก็ความลุ่มลุมดอนๆอของเปรตอันเป็นของจริงไปในทันทีเมื่อคุณเห็นหมูหมากาไกา่กับตาก็ขอให้ทราบถือว่านั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางท่องเที่ยวเกิดตายพวกมันเก็บสเสบียงบุญไว้ไม่พอพอแต่สเสบียงบาปเลยต้องตกต่ำไปเป็นต่างๆความรัก ความโรแมนติกแบบมนุษย์นะ่ะเมือนเถอะอย่างพวกหมาพวกแมวเนี่ยถึงฤดูมันก็ผสมพันกันให้เสร็จเสร็จไม่มีหรอกไปดินเนอร์กลางแสงเทียนไม่มีหรอกพิธีมั่นหรูอลังการไม่มีหรอกพิธีแต่งห้อมล้อมด้วยเพื่อนฝูงน่าประทับใจและแม้แต่ความเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่การรับปากว่าคุณจะมีความสุขแล้วก็ไม่ได้ประกันว่า คุณจะพบกับความรักแสนหวานเสมอไปคุณจะมีความสุขกับการเป็นมนุษย์ก็ต่อเมื่อสเสบียงที่เตรียมไว้นั้นมีคุณภาพสูงพอด้วยที่เกิดมาตาโหลพุงโรก้นปอดมาแต่เด็กวันๆเจอแต่สงครามกลางเมืองหรือสมรภูมิกลางบ้านโตขึ้นถูกเกณฑ์ไปกดขี่ใช้แรงงานเยี่ยงทาตไม่มีโอกาสลืมตาอ้าปากหรือหนีพ้นไปจากชีวิตเยี่ยงนั้นตลอดไป นั่นแหละครับตัวอย่างของการมีบุญพอจะเป็นมนุษย์แต่คุณภาพของบุญไม่มากพอจะช่วยให้เห็นชีวิตเป็นสุขไปได้เมื่ออัตภาพต่างๆคือการเดินทางแต่ละก้าวพวกเราก็เดินทางมาไม่รู้กี่ล้านก้าวพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้รวบรวมน้ำตาที่เคยหลั่งมาในระหว่างการเดินทางเกิดตายไม่รู้จบนี้อย่างมากกว่าน้าในมหาสมุทรเสียอีก บนโลกนี้คุณเห็นมนุษย์นับพันนับหมื่นล้านเหมือนล้นโลกจะแย่แท้จริงเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตแค่สปีชีส์หนึ่งยังไม่ได้นับหมู่สัตว์เดรัจฉานอีกหลายล้านสปีชีส์นะครับแถมมีอัตภาพอื่นที่เราไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่าอีกตั้งเท่าไหร่พิสดารพันลึกเกินบรญยายทั้งหลายเนี้ยก็จำแนกโด้วรกำขาวกรรำดําของแต่ละเผ่าพันธุ์ทั้งสิ้นกรมพิสดารได้แค่ไหนผสมดีผสมร้ายได้เท่าไหร่ อัตภาพก็พิสดาลผสมดีผสมร้ายได้เท่านั้นการเดินทางเวียนว่ายตายเกิดอันหาต้นหาปลายไม่ได้นี้เราเรียกว่าสังสารวัตรเริ่มเขาเงื่อนจากความไม่รู้ว่ากายใจเป็นเหยื่อล่อให้หลงยึดและก่อบุญก่อบาปขึ้นจากความหลงยึดนั้นโดยมีความทยานอยากเป็นแรงขับดันให้ทำบุญใหญ่บ้างก่อบาปหนักบ้าง จึงเป็นสุขบ้างต้องประสบทุกบ้างตามอัตภาพที่เสกขึ้น ouais. own, ด้วยอำนาจบุญบาปนั่นเองกรรมเก่าม네 uh ีหน้าที่วางแผนไว้หมดว่าชาติถัดมาคุณจะต้องเผชิญกับสิ่งใดบ้างวิทยาศาสตร์ระดับดี a เริ่มเห็นมากขึ้นเรื่อยๆว่าพวกเราถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะเกิดมามีรูปร่างหน้าตาอย่างไร มีแนวโน้มจะเกิดอุบัติเหตุถีบ่อยแค่ไหนและกระทั่งมีสิทธิ์ตายดีหรือตายร้ายด้วยโรคมะเร็งหรือโรคชราเมื่ออายุเท่าไหร่กรรมใหม่ก็คือการโต้ตอบกับผลของกรรมเก่าคุณตัดสินใจทำอะไรไปแต่ละอย่างล้วนแล้วแต่เป็นตัวกาหนดเส้นทางใหม่ในอนาคตทั้งสิน้นพระพุทธเจ้าตรัสว่า การเดินทางไปเรื่อยๆนั้นที่จะเลี่ยงหลบนรกมิใช่วิสัยเพราะอย่างไรก็ต้องพลาดท่าต้องหลงทําบาลด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการไม่ระแคะระคายเลยว่ามีสิ่งใดเป็นผลตอบแทนของบาปนั้นกรรมนั่นเองคือพรกรรมนั่นเองคือคาําสาปกรรมทาเองรับเองไม่รู้เองเสี่ยงเอง สรุปแล้วจนกว่าจะรู้วิธีหยุดเดินทางคุณต้องเวียนวนอยู่กับหนทางแห่งพรและคำสาบจากตนเองเรื่อยไปบนความแกว่งไกวแห่งความไม่แน่นอนสารพัดวาทะความรักความรักไม่ได้อยู่ที่หัวใจแต่อยู่ที่ใจทั้งดวงเพราะหัวใจกว้างไม่ถึงคืบ ขณะที่ดวงใจแผ่กว้างได้ครอบโลกเท่าความรักโกข้อยกระดับรักเกิดมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกพวกเราทุกคนถูกธรรมชาติฝึกให้เห็นแก่ตัวอยากได้อะไรต้องได้ไม่ว่าจะอยากดูดนมอยากอยู่ในอ้อมอกแม่อยากได้ของเล่นและอื่นๆคนอื่นๆต้องหามาให้ โดยไม่ต้องสนใจว่าใครเขาจะเหนื่อยยากขนาดไหนไม่ต้องสนใจฟังว่าใครเขาจะอ้อนวอนให้หยุดแผดเสียงอย่างไรฉันจะเอาของฉันสิอย่างใครจะทำไมเมื่อโตขึ้นคนส่วนใหญ่ก็ยังไม่พ้นจากแรงทยานอยากและความเห็นแก่ตัวแบบเมื่อแรกเกิดสักเท่าใดจะขยับขึ้นมานิดเดียวก็คือความเข้าใจว่าไม่มีใครตามใจให้เราทุกอย่างเหมือนพ่อแม่เท่านั้น ที่แน่ยิ่งกว่าอะไรคือเราจะสนใจความอยากของตัวเองมากกว่าความทุกข์ของคนอื่นเสมอรักแท้อาจสอนให้คุณเห็นแก่ตัวน้อยลงและค่อยคอ ย, ยกระดับรักให้สูงขึ้นแต่คงดีหากคิดจะยกระดับความรักด้วยตนเองโดยไม่ต้องคอยรักแท้บงการเพราะบางครั้งรักแท้มาช้าหรือสายเกินกว่าที่คุณจะแก้ความเห็นแก่ตัวจัดเสียแล้ว ความรักที่สูงเหนือกว่าภาคพื้นกามอารมณ์เรียกว่าความรักแบบพรหมคือเหล่าพรหมใช้ความรักแบบนี้เป็นเครื่องกำเนิดตลอดจนเป็นเครื่องรักษาชีวิตจิตของพวกท่านรักได้โดยไม่ต้องอาศัยการล่ออีกทั้งเป็นความรักไม่จำกัดไม่เลือกหน้าไม่แบ่งชนชั้นวันนะเราจึงเรียกความรักแบบพรหมว่าพรหมวิหารสี่ซึ่งแปลตรงตัวว่าเครื่องอยู่ของพรหม ความรักแบบพรมจะทำให้คุณบังเกิดความเข้าใจว่ารักแท้เป็นสิ่งที่ตั้งต้นจากตัวคุณได้ไม่ใช่ต้องรอขอความร่วมมือจากใครรักแท้แบบพรมไม่เคยตามหาตัวคุณแต่คุณต้องไล่ล่าหามันเอาเองและเมื่อหาเจอคุณจะย้อนกลับมาเปรียบเทียบได้ว่ารักแบบหญิงชายอยู่ต่ำระดับกว่าเพียงใดเป็นสุขน้อยกว่ากันขนาดไหน คุณจะเห็นถนัดว่าก็เมื่อเท้าของคนเราจมอยู่ในโคลนตมแห่งกิเลสและสแสวงหาความรักกันด้วยมือที่เปื้อนโคลนตมแห่งกิเลสความรักจะไม่เปื้อนมลทินอย่างไรได้ต่อเมื่อมือเท้าสะอาดจากโคลนตมแห่งกิเลสนั่นเองความรักจึงอยู่ในมือได้โดยไม่เปื้อนมลทินรักได้โดยไม่ต้องรอความน่ารักคือรักเหนือรัก เป็นรักในอุดมคติที่ทำได้จริงลองมาดูเป็นข้อๆครับว่าเหล่าพรมท่านทำกันอย่างไร 1. มีเมตตาเมตตาในความรักแบบพรมก็คือความรู้สึกรักนั่นเองแต่เป็นรักที่ไม่เจืออยู่ด้วยความเห็นแก่ตัวมีแต่ความปรารถนาให้ใครต่อใครเป็นสุขซึ่งก็เป็นตรงข้ามกับความเกลียดชังหรือผูกใจพยาบาท อันเปรียบเสมือนไฟทางจิตที่ลุกโพลงตลอดวันตลอดคืนโดยมีหัวใจร้อนร้อนเป็นฐานเชื้อเพลิงเริ่มรักแบบหญิงชายคุณอาจถูกดึงดูดให้มาปรารถนาดีต่อกันด้วยเรื่องขา่าวแต่ต่อมาเมื่อร่วมบุญร่วมกุศลทางกายวาจาใจก็อาจพัฒนาขึ้นเป็นความรู้สึกลึกซึ้งซึ่งไม่ต้องอิงกามารมณ์ต่อให้แยกจากกันไม่ได้อยู่ด้วยกันอีกแล้ว ก็ยังอยากให้อีกฝ่ายมีความสุขเสมอห่วงใยอยู่เสมอเรื่องแต่หนหลังที่แล้วมาจะแค้นเคืองเพียงใดก็ลืมได้หมดไม่เก็บมาเป็นอารมณ์ทั้งหมดความเมตตาจึงเป็นเรื่องของใจล้วนๆคุณเห็นใครมีเมตตาได้จากรังสีเยือกเย็นที่ฉายชัดจากในตาหรือรัศมีความอบอุ่นอ่อนโยนที่แผ่ออกมาจากตัวให้รู้สึก ใครที่ไปถึงความมีเมตตาอย่างใหญ่ยอมรู้สึกได้ถึงพื้นฐานความเป็นจิตที่หนักแน่นมั่นคงและแผ่รัศมีได้กวางขึ้นเรื่อยๆจึงเรียกว่าแผ่เมตตาและเมื่อประคองไว้ในอาการเช่นนั้นได้นานเกินห้านาทีจิตจะเข้าสู่ภาวะตั้งมั่นเป็นสมาธิอย่างใหญ่เหมือนหัวตัวหายไปเหลือแต่ความเบิกบานยิ้มแย้ม และขยายขอบเขตรอยยิ้มกว้างไกลภัยสารปิติสุขเบิกบานเหมือนน้ำผู้ที่ฉีดซ่านไม่รู้อิ่มรู้เบื่อความแพรไปแห่งรักอย่างไม่เลือกหน้าไม่มีประมาณชนิดนั้นเรียกว่าอัปปมัญญาสมาบัตคือเป็นฌานจิตใหญ่เป็นหนึ่งเดียวประกอบด้วยความรู้สึกรักได้โดยไม่ต้องเห็นหน้าใครไม่ต้องมีคนไม่ต้องมีสัตว์มาเป็นเป้ายิงความรักใส จิตแผ่ไปครอบโลกปิติสุขจึงส่านไกลขนาดรู้สึกว่าจะเผื่อแผ่ความสุขไปถึงใครก็ได้เป็นคนหรือสัตว์ก็ได้เป็นเทวดาหรือสัตว์นรกก็ได้ 2. มีความการุณาการุณาในความรักแบบพรหมหมายเอาความคิดจะลงมือช่วยใครต่อใครให้พ้นทุกข์ หรือที่สุกอยู่แล้วก็อยากช่วยให้สุกยิ่งยิ่งขึ้นจนถึงความบริบูรณ์ไม่กลับไม่เปลี่ยนซึ่งเป็นตรงข้ามกับความเห็นแก่ตัวและความตรนีที่เหนียวอันก่อความแห้งแล้งให้กับสังคมมนุษย์มาทุกยุคทุกสมัยเริ่มรักแบบหญิงชายคุณอาจอยากได้รับความการุณาจากอีกฝ่ายและไม่ค่อยอยากเป็นฝ่ายการุณาเขาหรือเธออาจด้วยความกลัวเสียเปรียบ หรืออาจจะเห็นว่าเขาหรือเธอรักคุณมากกว่าก็ต้องเอาใจคุณมากกว่าทำอะไรให้คุณมากกว่าแต่ต่อมาเมื่อร่วมบุญร่วมกุศลทางกายวาจาใจก็อาจพัฒนาขึ้นเป็นความอยากทำอะไรให้คนรักบ้างอาจจะในรูปของการตอบแทนและขยิบขึ้นเป็นความหวังดีคิดริเริ่มช่วยเหลือเองโดยไม่ต้องรออีกฝ่ายทาให้ก่อน รวมทั้งไม่ได้หวังจะให้คนรักมาตอบแทนในรูปแบบเดียวกันหรือรูปแบบไหนๆด้วยถ้าต่อยอดพัฒนาจากการุณาคนรักไปเป็นกรุณาสังคมผู้ด้อยโอกาสหรือกรุณาสัตว์หน้าตาหน้าสงสารทั้งหลายก็ยอมไปถึงความการุณาอย่างใหญ่สะสมไว้เป็นสิบสิบปีแล้วจิตจะแผ่กระแสะเยือกเย็นโอราน เรากับเป็นประสาทราชวังให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดได้รู้สึกความอยากช่วยเหลือไม่เลือกหน้าไม่มีประมาณชนิดนั้นถ้าตกถึงฌานมีความเป็นหนึ่งเดียวก็เรียกว่าเป็นอัปปมัญญาสมาบัตเช่นกันแต่ทางเข้าของสมาบัตจะมีความยิ่งใหญ่กว่าการแผ่เมตตาเฉยเฉยเนื่องจากพัฒนามาจากการสั่งสมบารมีลงมือช่วยจริง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 เริ่มรักแบบหญิงชายคุณอาจพลอยดีใจไปกับความสําเร็จหรือความเจริญก้าวหน้าของคนรักแทบเหมือนเป็นเรื่องน่ายินดีของคุณเองเพราะหน้าตาของคุณอยู่คู่เขาเมื่อใบหน้าของเขาใหญ่ขึ้นใบหน้าของคุณก็พลอยใหญ่ตามไปด้วยทว่าพอเลิกเป็นคนรักกันความพลอยดีใจของคุณอาจกลับเปลี่ยนเป็นหม่นใส้ไม่สบอารมณ์ ไม่อยากได้ยินเรื่องดีๆที่เป็นมงคลของคนรักเก่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าได้ยินว่าพบคนใหม่ที่ดีกว่าคุณให้ความสุขได้มากกว่าที่คุณเคยให้อันนี้อย่าว่าแต่จะพลอยยินดีแค่เอาตัวให้รอดจากการกระอักเลือดเสียก่อนก็ยากแล้วความรักแบบพรมจะไม่คำนึงว่าใครเคยเป็นคนรักใครกาลังเป็นคนชงัง ขอให้เป็นคนเถอะขอให้เป็นสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตใดๆเถอะถ้าได้ดีเป็นพลอยชื่นใจด้วยได้หมดการฝึกให้ยินดีกับทุกคนนะับเป็นเรื่องยากเพราะความริษยาหรือความพยาบาทมักออกมาขวางหน้ายิงเขนยิงฝืดเหมือนจะให้เสแสงแกล้งยินดีที่คนรักเก่าไปได้คนใหม่ดีกว่าตนนั้นมันผิดธรรมชาติเอามาก ทางเดียวที่คุณจะชื่นใจได้กับความสุขความเจริญของคนและสัตว์ไม่เลือกหน้าคือต้องคอยแผ่เมตตาและกรุณามาจนเกิดสมาธิจิตตั้งมัน่สนสร้างปิติสุขเยือกเย็นได้โดยไม่ต้องมีใบหน้าใครเป็นเครื่องเหนี่ยวนำทำได้อย่างนั้นธรรมชาติของใจคุณถึงจะต่างจากเดิมจิตของคุณจะพลอยยินดีกับใครตัวใครไปเองโดยไม่ต้องฝืนเพราะสิ่งเดียวที่จิตคุณต้องการ คือความสุขในรักไม่อยากเสียสุขในรักให้กับกิเลสคู่ปรับอันได้แก่ความริษยาและความพยาบาทแต่อย่างใดความสามารถแช่มชื่นกับผู้อื่นเมื่อสะสมให้มากอย่างไม่เลือกหน้าไม่มีขอบเขตประมาณแล้วยอมเข้าถึงอัปมัญญาสมาบัติได้เช่นกันเพียงมีความโสมนัสกับเรื่องดีของใครใจก็หน่วงเป็นอารมณ์แห่งฌานได้แล้ว สรุปคือสิ่งที่จะรักษาความสุขไว้ได้ก็คือความพลอยยินดีไม่ใช่ความริษยาพยาบาทนี่เองมุทิตาจึงเป็นหนึ่งในสิ่งที่พรหมต้องมีหากยังบกคร่องหากยังมีข้อยกเว้นก็ยังนับเป็นพรหมไม่ได้ครับหมายเหตุไว้ด้วยว่าไม่ใช่ช่วยยินดีหรือพลอยแช่มชื่นดะไปหมดเป็นต้นว่าเห็นคนยิงชู้ดับคามือ แก้แค้นสำเร็จเลยพลอยตบมือหัวเราะราไปกับเขานั่นเท่ากับคุณร่วมยินดีในการฆ่าซึ่งก็จะได้ส่วนแห่งบาปอันเกิดจากการฆ่าไม่ใช่มุธิตาแบบพรหมแน่นอนครับ 4. มีอุเบกขาอุเบกขาในความรักแบบพรหม คือการมีใจเป็นกลางกับกรรมของคนอื่นเพราะเห็นตามจริงแล้วว่าใครทำอย่างไรย่อมได้รับผลสอดคล้องตามนั้นโดยทั่วไปความรักแบบหญิงชายจะไม่สอนให้คุณเป็นกลางวางเฉยเพราะเมื่อเห็นคนรักประสบทุกข์ก็ย่อมอยากยื่นมือเข้าช่วยเหลือตลอดจนทำทุกอย่างเพื่อให้คนรักพ้นความผิดแม้จะต้องเป็นคนทาผิดเสียเองตรงข้าม เมื่อเห็นคนรักเก่าประสบสุขก็จะนึกอยากแช่งให้เจอความทุกข์เสียบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณยังเสียอกเสียใจกับการเลิกรากันคุณอาจถึงขนาดอยากทำตัวเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ของเขาเสเองเลยก็ได้อุเบกขาแบบพรมเกิดขึ้นได้สองระดับระดับแรกคือการทำความเข้าใจด้วยสติปัญญาแบบนึกคิดคือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ทุกคนต่างเคยทำทั้งบุญและบาปเมื่อบุญถึงเวลาผลิดอกออกผลเต็มที่ก็ย่อมไม่มีสิ่งใดทำให้เจ้าของบุญต้องเป็นทุกข์เช่นเดียวกับเมื่อบาปถึงเวลาผลเผลเต็มกำลังก็ย่อมไม่มีสิ่งใดทำให้เจ้าของบาปเป็นสุขไปได้เช่นกันความเข้าใจในระดับนึกคิดนั้นจะให้ผลเป็นความรู้สึกวางเฉยได้ก็ต่อเมื่อคิดบ่อย เห็นเรื่องร้ายเกิดขึ้นกับใครถ้าช่วยได้ก็ช่วยด้วยความการุณาแบบพรหมแต่หากช่วยไม่ได้ก็ต้องคิดวางอุเบกขาแบบพรหมว่าเป็นกรรมของเขาเช่นกันอีกระดับหนึ่งที่เหนือกว่านั้นคือการอย่างรู้เข้าไปในเรื่องของกรรมวิบาจงจริงคือจิตเกิดอภิญญาอันมีสมาธิชั้นสูงเป็นบาทฐาน คือเมื่อเรียนรู้ไว้ก่อนว่าร่างกายเป็นผลของกรรมเก่ารูปร่างหน้าตาเป็นผลของกรรมเก่าเพศเป็นผลของกรรมเก่าชะตากรรมทั้งหลายเป็นผลของกรรมเก่าก็สามารถใช้จิตตรวจสอบดูความจริงอันเป็นเบื้องหลังกรรมทั้งหมดเหล่านั้นเมื่อจิตมีกำลังมากพอยอมเกิดยานยังรู้และพบว่ากรรมวิบากเป็นความจริงโดยจะเห็นเป็นเรื่องเรื่องไป เช่นเมื่อพบว่าคนรักเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนจู่ๆมีรถบรรทุกถลาเข้าบี้บทจนยับเยินไปทั้งคันแทนที่จะร้องไห้คร่ำครวญตัดเพ้อต่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าทำไมไม่เห็นดูแลคนดีผู้มีอภิน ญ, ญายอมตรวจ ด, ดูได้ด้วยตนเองโดยหน่วงนิมิตโศกนาฏกรรมของคนรักไว้ด้วยใจแล้วน้อมนึกว่าโศกนาฏกรรมนี้มีสิ่งใดเป็นต้นเหตุ ด้วยความแก่กล้าของฌานผู้ทรงอภิญญาก็อาจเห็นถนัดว่าคนรักเคยไปซุ่มดักฆ่าใครกลางทางเอาไว้แต่ปางก่อนมาชาตินี้ถึงจุดตัดของเวลาที่ต้องเสวยผลบาปนั้นจึงบันดาลให้ต้องตายอานาดกลางทางทั้งหมดหาใช้การกลั่นแกล้งหรือการดูไดาจากพูดผีหรือเทวดาที่ไหนเลยคุณจะทราบด้วยยาน ว่าปาณาติบาตหนักๆที่เคยทำไว้มักวางแผนให้เจ้าของกรรมต้องตายด้วยอุบัติเหตุก่อนที่จะเกิดมามีเลือดเนื้อซิอีกด้วยความอย่างทราบนี้เองคุณจึงไม่ตีโพยตีพายวอยกับใครแต่จะสงสารสัตว์โลกเท่าเทียมกันแม้แต่คนที่กำลังอยู่ดีมีสุขคุณก็จะไม่รู้สึกว่าเขาเคราะห์ดีไปกว่าคนที่กาลังประสบเคราะห์ร้ายแต่อย่างใดเลย ทุกคนโชคร้ายที่ไม่รู้เรื่องกรรมวิบากเหมือนอนกันหมดอุเบกขาแท้จริงระดับพรมที่อยู่เหนือมนุษย์ใจจึงเป็นกลางหนักแน่นยิ่งกว่าแผ่นดินผิดว่าตามผิดถูกว่าตามถูกไม่ปล่อยให้ความรักหรือความเกลียดมาครอบงำได้จิตจึงเป็นอิสระและพร้อมจะเข้าถึงฌานเป็นอัปปมัญญาสมาบัติได้ทุกเวลา สำหรับอุเบกขาที่ฝึกได้ในชีวิตคู่นี่นะครับเอาแค่ให้ชีวิตคู่เป็นสนามฝึกดัดจิตก็พอแล้วคนเราไม่เห็นตัวเองผิดเห็นแต่ตัวมีความชอบและเห็นแต่ความผิดของคู่ครองแล้วบางทีรู้ทั้งรู้ว่าตัวเองผิดก็จะดันทุรังงัดเหตุผลข้างๆครูๆมาบีบให้คนรักยอมรับว่าตนเองถูกให้จงได้ ที่ผ่านมาเมื่อผิดแล้วไม่ว่าตามผิดทำให้จิตบิดเบี้ยวถึงตอนครองคู่ก็อาจอาศัยชีวิตคู่เป็นสนามฝึกดัดจิตให้ตรงโดยเริ่มจากการยอมลงให้กับเหตุผลตอนแรกๆอัตตาจะยังหนาไม่เอื้อให้อยากยอมรับแต่เมื่อพิจารณามากขึ้นย้ำกับตัวเองมากเขาว่าทาอย่างนี้เราผิดจริงหรือทำอย่างนั้นเรามีส่วนผิดด้วย เลิกคิดคําแก้ตัวต่างๆนานาผ่านเดือนผ่านปีคุณจะกลายเป็นคนจิตตรงเห็นอะไรตามจริงอย่างเต็มตัวโดยไม่ต้องฝืนใจอีกวาทะความรักคนรักจะนำมาให้คุณทั้งสุขทั้งทุกข์แต่บุญจะนำมาให้คุณแต่ความสุขถ่ายเดียว หัวข้อยกระดับบุญระหว่างได้บุญกับได้คนรักอันไหนดีกว่ากันปัญญาจะตอบว่าได้บุญดีกว่าแน่นอนเพราะเที่ยงที่บุญจะนำความสุขมาให้ไม่ช้าก็เร็วส่วนคนรักนั้นยังไม่รู้ว่าจะคุ้มดีคุ้มร้ายให้คุณให้โทษขนาดไหนแต่ถ้าไปถามกิเลสนะครับ ว่าระหว่างได้บุญกับได้คนรักอันไหนดีกว่ากิเลสจะตอบทันทีว่าได้คนรักสิดีกว่ากิเลสนะ่ะไม่ช่วยให้คุณกลัวความทุกข์หรอกครับมันจะขับดันให้คุณละโมบอยากเขมือสุขท่าเดียวอันนี้ต้องมาตีข้อเด่นของบุญให้โด่งขึ้นชัดๆหลายๆหนถึงจะเปรียบเทียบได้เกิดความเข้าใจอันดีเช่น ถามว่าถ้าคุณรักและเป็นห่วงใครอยากปกป้องใครคุณควรทำเช่นไรจึงเป็นผลดีกับเขาหรือเธอมากที่สุดจากความจริงที่คุณไม่อาจตามดูแลใครให้ได้ตลอด24ชั่วโมงก็เพียงพอแล้วที่จะกล่าวเต็มปากเต็มคำว่ารักแท้ช่วยไม่ได้รักแท้ช่วยให้ใครเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้แต่ความละอายต่อบาปช่วยได้ รักแท้ช่วยให้ใครมั่งมีสีสุขอย่างเป็นตัวของตัวเองไม่ได้แต่ทานบารมีช่วยได้รักแท้ช่วยให้ใครปราศจากภัยเวรไม่ได้แต่ศีลบารมีช่วยได้รักแท้ช่วยให้ใครเป็นอมะตะไม่ได้แต่การมีสติตื่นรู้สัจจะความจริงขั้นสูงสุดช่วยได้บุญเท่านั้น ที่ตามไปเป็นสมบัติเป็นพี่เลี้ยงดูแลเป็นบอดี้การ์ดเป็นพยาบาลเป็นผู้ช่วยสารพัดตลอดจนเป็นผู้บรรดาลความเป็นอมตะได้กล่าวโดยรวมคือมีแต่บุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงให้กับคนรักของคุณไม่ใช่ตัวคุณและไม่ใช่รักแท้แต่อย่างใดบางคนรักเมียมาก อุตสาหา์ซื้อเครื่องช็อตไฟฟ้าให้เมียไว้ป้องกันตัวซึ่งถ้าจวนตัวหน้าสิวหน้าขวานขึ้นมาจริงๆก็ไม่รู้จะหยิบทันหรือเปล่าไม่รู้จะใช้เป็นหรือเปล่าไม่รู้จะโดนโจนล็อกค อ, อก่อนหรือเปล่าหรือหนักกว่านั้นคือไม่รู้จะลืมไว้ที่บ้านหรือเปล่าแต่ถ้ามอบความเข้าใจในการสร้างบุญให้เมียเธอจะมีประการแก้วคุ้มครองตนเองตลอดไป ด้วยบุญเธอจะไม่อยู่บนเส้นทางเจอโจรถึงเจอก็มีเหตุให้แคล้วคลาดถึงไม่แคล้วคลาดก็มีเหตุให้โจรใจอ่อนถึงไม่มีเหตุให้โจรใจอ่อนเธอก็ไม่ถูกทำร้ายถึงถูกทำร้ายเธอก็ไม่ตายถึงตายเธอก็ได้ไปสวยสุขบนสวรรค์ไม่ต้องร่วงหล่นลงต่ำด้วยเหตุคือโทสะหรือพยาบาท วาทะความรักมีเงินอย่างเดียวไม่พอต้องฉลาดด้วยถึงจะคิดทำบุญได้เข้าใจเรื่องบุญก็คือเข้าใจเรื่องสร้างที่พึ่งและความเข้าใจเรื่องบุญก็ใช้เงินซื้อไม่ได้บนเส้นทางไร้ต้นไร้ปลายเกิดตายเป็นอนันตชาตินี้ไม่เคยมีการสั่งสมการเรียนรู้ มีต่การสั่งสมบุญหมายความว่าจะเกิดกี่ล้านครั้งต้องทนทุกข์ทรมานกี่ล้านหนถ้าเกิดใหม่ลืมหมดประสบการณ์ที่ผ่านมาก็สูญเปล่าไม่ทำให้เข็ดหลาบไม่ทำให้เพียรอยากหาทางหยุดเกิดตายด้วยตนเองคุณต้องสั่งสมบุญในทางสายปัญญาเพราะบุญเท่านั้นที่สะสมได้ผลักดันให้คุณเล็งหาประโยชน์สูงสุดได้ ซึ่งนั่นก็คือหยุดหลงผิดคิดว่ากองทุกข์เป็นของดีกองทุกขเป็นสมบัติของคุณเซธีการทําบุญคือการขนเอาความตรหร니ความโลภความโกรธและความหลงสําคัญผิดต่างๆออกจากตัวถ้าทําบุญโดยหวังอะไรเข้าตัวก็แปลว่าคุณลืมสละความโลภบุญที่ลืมสละความโลภไม่ถือเป็นบุญสายปัญญา ยกตัวอย่างนะครับถ้าทำบุญอย่างคนโลภ ก, ก็มักอธิษฐานว่าขอให้บุญนี้จงส่งแฟนมาให้ฉันเร็วๆซึ่งอำนาจบุญใหม่อาจส่งมาจริงๆแต่เป็นแฟนประเภทผ่านมาชิมไม่ใช่เข้ามาเพื่อครองคู่อยู่ร่วมกันเพราะจะครองคู่ให้หายเหงาไปทั้งชาตินั้นต้องการปัจจัยเท่าบ่อน้ำหรือทะเลหรือมหาสมุทรไม่ใช่แค่เท่ากระป๋องนม แต่ถ้าทำบุญอย่างคนฉลาดคุณจะสำรวจใจตัวเองว่ายังโลภอยากได้อะไรเกินตัวไหมยังคิดพยาบาทมาด ร, ร้ายใครอยู่ไหมยังหดหูท้อทแท้ไหมยังฟุ้งซ่านจัดไหมยังสงสัยในกุศลผลบุญไหมเมื่อสำรวจพบว่าใจหลังทำบุญเสร็จยังคงมีมลทินอันใดก็ขอให้ความสว่างความแช่มชื่นแห่งบุญ จงเป็นน้ําสะอาดล้างบนทินอย่างนั้นๆด้วยเถิดผู้มีจิตสะอาดปราศจากบนทินปนเปื้อนนะครับต่อให้ไม่อธิษฐานขอคนรักก็จะเป็นที่รักของคนจํานวนมากเพราะคนจํานวนมากเหม็นเบื่อความสกรปรกของตนเองเต็มทนอยากได้น้ําดีชะล้างความหมักหมมเสียบ้างซึ่งถ้ากระแสของใจคุณสะอาดพอ ผู้คนก็อยากมาอาศัยอาบรถกันอยู่แล้วคนเราทำบุญได้สามระดับคือทานศีลและภาวนาเรียงตามลำดับจากต่ำไปหาสูงเหมือนบันไดขั้นแรกที่พาไปหาบันไดขั้นถัดๆไปมีรายละเอียดดังนี้ครับ 1. ทาน ทานคือการให้ไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารสัตว์ให้ของคนยากจนตลอดจนถวายข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตแด่สงหลวนเรียกว่าทานทั้งสิ้นที่ชาวพุทธนิยมทําสังฆทานเพราะเป็นทานขั้นสูงสุดสำหรับคนทั่วไปเท่าที่จะทำได้ความจริงยังมีทานสูงกว่านั้นอีกคือการให้ธรรมะเป็นทานหมายถึงการให้ปัญญา ชีแนะแนวทางให้ผู้อื่นเห็นถูกเห็นชอบในกา ร, รวิบากและทางพ้นทุกข์แม้สังฆทานที่มีหนังสือธรรมะปฏิบัติสำหรับพระก็จัดเป็นมหาธรรมทานได้เช่นกันเมื่อทำบุญโดยการให้ทานสิ่งที่คุณควรอธิษฐานหวังผลและเห็นผลได้ทันใจได้แก่การขอให้ความท้อหายไปและกำลังใจคืนมาความฟุ้งซ่านเบาลง และมีความเป็นสมาธิได้ง่ายขึ้นความเคลือบแคลงในผลแห่งบุญหมดสิ้นไปและมีใจมั่นคงในการทําบุญให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปที่ต้องหวังความก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปก็เพราะแม้ทันเป็นประกันว่าคุณจะมีความสุขอันเกิดจากการให้แต่ไม่ได้ประกันว่าจิตของคุณจะสะอาดน่าสบายใจสักแค่ไหน เพื่อประกันว่าจิตจะสะอาดน่าสบายใจคุณต้องทำบุญขั้นกลางซึ่งเหนือกว่าการทำทานนั่นคือการรักษาศีลครับ 2. สองศีลศีลคือการรักษากายและวาจาไม่ให้เป็นที่เบียดเบียนกันคือต่อให้ใจคิดเบียดเบียนก็ห้ามไว้ย่ายถึงขั้นลงมือลงไม้ หรือกระทั่งพ่นพิษอันใดออกไปทางปากการรักษาศีลถือเป็นการสละความเห็นแก่ตัวเพราะไม่ฆ่าแม้ถูกยั่วยุให้ฆ่าในนามของความคับแค้นไม่ขโมยแม้ถูกล่อใจว่ามีสิทธิขโมยโดยไม่มีใครรู้ไม่ลักลอบเป็นชู้แม้สบโอกาสเป็นชู้ในที่รับหูลับตาทุกคนไม่โกหกทั้งรู้ว่า ถ้าไม่โกหกก็จะอดได้ในสิ่งที่ปรารถนาไม่เสพสุรายาเมาแม้การเสพสุรายาเมาคือการสนุกแบบไม่ต้องยั้งมากจะเห็นว่าเหล่านี้เป็นการสละความเห็นแก่ได้สละอาการเอาเข้าตัวทั้งนั้นเมื่อตั้งใจงดเว้นพฤติกรรมผิดๆแล้วเว้นได้สำเร็จจริงทั้งต่อหน้าและรับหลังผู่อื่นจึงควรได้ชื่อว่าเป็นผู้ลดความเห็นแก่ตัวลงแล้วอย่างแท้จริง หากถือศีลได้สะอาดชนะขาดในการต่อสู้กับสิ่งยั่วยุคุณควรอธิษฐานหวังผลได้ทันใจได้แก่การขอให้ราคะผิดๆจงอ่อนกำลังลงขอให้ความอาฆาตพยาบาททั้งหลายจงหลุดล่อนออกจากใจไปทีละน้อยและขอให้ความฟุ้งซ่านไปในเรื่องผิดทั้งหลายจงสงบระงับลงกลายเป็นผู้มีสมาธิตั้งมั่นด้วยธรรมชาติของจิต ที่ปราศจากการละเมอศีลเมื่อไม่ละเมอศีลย่อมได้ชื่อว่าละเหตุแห่งความเดือดร้อนกระวนกระวายอย่างไรก็ตามแม้ศีลเป็นประกันว่าคุณจะมีความสะอาดทางใจแต่ไม่ได้ประกันว่าจิตของคุณจะหนีความทุกข์ได้พ้นเพื่อประกันว่าคุณจะหมดทุกข์หมดโศกเป็นอิสระหายห่วงได้จริง คุณต้องทำบุญขั้นสูงซึ่งเหนือกว่าการรักษาศีลนั่นคือรู้วิธีทำใจให้เท่าทันความจริงทั้งหลายที่กำลังปรากฏอยู่ทั้งภายนอกและภายใน 3. ภาวนาภาวนาคือการทำสติให้เจริญขึ้นและที่ต้องทำให้เจริญขึ้น ก็เพราะพวกเรากําลังหลับอยู่ทั้งลืมตาหลงสําคัญผิดยึดมั่นผิดผิดไปต่างๆนานาเช่นเราหลงสําคัญไปว่ากายนี้จะเต่งตึงตลอดไปเมื่อกายเหยื่อย่นลงใจย่อมเหี่ยวแห้งเป็นทุกตามต่อเมื่อเจริญสติเห็นตามจริงว่าแม้ลมหายใจก็ต้องเปลี่ยนแม้อิริยาบถก็ต้องเปลี่ยนอะไรๆในกายต้องเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาไม่คงที่สักอย่าง เมื่อนั้นจึงคลายความหลงยึดมั่นผิดๆในกายเสียได้เราหลงสำคัญไปว่าความสุขเป็นสิ่งที่เกิดแล้วเกิดเลยเมื่อความสุขเปลี่ยนไปเป็นทุกข์เราก็ยึดทุกข์แทนนึกว่ามันจะไม่หายทุกข์อีกแล้วต่อเมื่อเจริญสติเห็นตามจริงเข้ามาในตัวว่าแม้สุขที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ก็มีขึ้นมีลงเดี๋ยวสุขมากบ้างเดี๋ยวสุขน้อยบ้าง เดี๋ยวทุกมากบ้างเดี๋ยวทุกน้อยบ้างเห็นบ่อยเข้าก็ยอมรับความจริงคลายความหลงยึดมั่นผิดทิศว่าสุขทุกขเป็นของติดตัวติดใจตลอดไปเสียได้ขึ้นอยู่กับจะมีสิ่งใดมากระทบเท่านั้นเราหลงสําคัญไปว่าความทรงจําต้องฝังอยู่ในหัวตลอดไปเมื่อนึกไม่ออกระลึกไม่ได้เราก็ขัดเคืองตัวเอง ต่อเมื่อเจริญสติเห็นตามจริงว่าความทรงจำจะแม่นหรือไม่แม่นขึ้นอยู่กับแรงกระทับลงมาในใจถ้าแรงมากก็จำแม่นถ้าแรงน้อยก็ลืมเร็วแล้วก็ขึ้นอยู่กับความเลื่อมใสไปเป็นธรรมดาของสังขารด้วยระบบความจำเป็นเรื่องซับซ้อนและไม่เป็นไปตามอานาจการควบคุมของใครเห็นบ่อยเข้าก็ยอมรับความจริงคลายความหลงยึดมั่นผิดว่า ความจำต้องดีตลอดเสียได้เราหลงสําคัญไปว่าความคิดอ่านและเจตนาคือตัวเราต่เมื่อเวลาผ่านไปประสบการณ์มากขึ้นเราก็พบว่าความคิดอ่านของเราแตกต่างเจตนาดีกลายเป็นร้ายเจตนาร้ายกลับเป็นดีพลิกผันกลับกลอกได้ตลอดเวลาทั้งที่เราก็ไม่ได้อยากให้เป็นเช่นนั้น ต่อเมื่อเจริญสติเห็นตามจริงว่าแม้ความรู้สึกนึกคิดในแต่ละขณะก็ไม่มีความเป็นตัวของตัวเองต้องอาศัยปัจจัยภายนอกร่วมปรุงแต่งเป็นขณะขณะเห็นบ่อยเข้าก็ยอมรับความจริงคลายความหลงยึดมั่นผิดผิดว่าความนึกคิดเป็นตัวเราเสียได้เราหลงสำคัญไปว่ามีจิตเป็นของเรา มีจิตของเราเป็นผู้รับรู้โลกและจิตนี้เป็นอมะตะไม่ตายไปตามตัวต่อเมื่อเจริญสติเห็นตามจริงว่าแม้แต่การรับรู้ทางหูตายามตื่นหรือกระทั่งการรับรู้นิมิตฝันยามหลับต่างก็เป็นเพียงการรับรู้ชั่วขณะรู้สิ่งหนึ่งแล้วหมุนเวียนเปลี่ยนไปรู้อีกสิ่งหนึ่งเห็นบ่อยเข้าก็ยอมรับความจริงว่าจิตเกิดดับตลอดวันตลอดคืน คลายความหลงยึดมั่นผิดๆว่าจิตเป็นบุคคลหรือมีบุคคลอยู่ในจิตเสียได้เมื่อตัดสินใจว่าจะเจริญสติไปเรื่อยๆกับทั้งทำสติให้เจริญขึ้นได้สำเร็จจริงๆคุณไม่ต้องอธิษฐานหวังผลใดๆผลก็เกิดขึ้นให้ประจักษ์ใจในปัจจุบันคุณจะเป็นผู้มีสติอยู่เสมอๆไม่ขาดสติเป็นคนเม๋อลอยหรือฟุ้งซ่านเก่งเหมือนแต่ก่อน คุณจะรับมือกับความทุกข์ได้เกือบทุกสถานการณ์เพราะสติเต็มตัวจะทำให้รู้สึกกับชีวิตด้วยอีกมุมมองหนึ่งที่ต่างไปเป็นคนละมิติแม้ความทุกข์ก็ถูกรู้ว่าเป็นแค่สภาวะชั่วคราวไม่ใช่ของจริงแท้ถาวรใจคุณจึงลดแรงดิ้นรนลงไม่กระสับกระส่ายเกินเหตุ ด, ดังเคยคุณจะรู้สึกถึงความเป็นเหตุเป็นผลของกายใจ ทุกสิ่งทุกอย่างมีความยุติธรรมและสมบูรณ์แบบอยู่แล้วในตัวเองไม่มีใครได้อะไรมาปลอกเปล่ า, ลาแต่ขณะเดียวกันก็ไม่มีใครได้อะไรมาจริงๆทุกอย่างเป็นไปนตามเหตุที่ทำไว้ในอดีตและปัจจุบันเมื่อต้นเหตุหมดกำลังส่งสิ่งที่มีอยู่ก็หายไปหมดเราจะชอบหรือไม่ชอบเสียดายหรืออยากทิ้งว้างอย่างไรก็ต้องถึงจุดยุติเข้าสักวัน คุณจะพบว่าบนเส้นทางสู่ความพ้นทุกจำเป็นต้องอ่านและฟังให้มากและคุณจะรู้สึกว่ารู้มากตอนเริ่มต้นรู้น้อยลงเมื่อศึกษาลึกขึ้นแล้วที่สุดจะไม่นับว่ารู้อะไรเลยหากยังไม่รู้สึกตัวอยู่กับกายใจในบัดนี้คุณจะตระหนักพบรักแท้ว่ายากแล้วเหมือนโชคดีเหลือเกินแล้วแต่ความจริง คือพบทางพ้นทุกนั้นยากกว่าและโชคดีกว่าอย่างเทียบกันไม่ได้เพราะความรักเป็นสิ่งที่เจืออยู่ด้วยความว้าวุ่นและต้องยุติลงด้วยการจากเป็นหรือจากตายแต่ความพ้นทุกมีแต่ความสงบที่เต็มบริบูรณ์กับทั้งเป็นอมตะอย่างแท้จริงไม่มีการพลาจากอีกเลยคุณจะเปรียบเทียบเห็นได้ถนัดชัด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 คุณไม่จำเป็นต้องง้อใครให้มาเคียงข้างเป็นกำลังใจขอเพียงคุณหนักแน่นสามารถเป็นกำลังใจให้ตนเองก็อาจเดินเดี่ยวได้ตั้งแต่ต้นจนสุดสายคุณจะย้อนกลับมาเห็นว่ารักแท้เป็นเพียงอีกสิ่งหนึ่งที่ลวงโลกให้สำคัญผิดคิดว่าคุณได้คิดว่าคุณเสียแท้จริงคุณไม่เคยได้หรือเสียอะไรเหมือนต่อให้ฝึกฝันร่วมกันสาเร็จ ตื่นขึ้นมาพบคุณก็จะไม่รู้สึกว่าจะจับฉวยสิ่งใดในฝันไว้เป็นสมบัติได้โลกความจริงก็เช่นนั้นแม้นานกว่าฝันดูจับต้องได้มากกว่าฝันแต่ก็ไม่ต่างจากฝันตรงที่มันต้องเละเลือนไปเสื่อมสลายหายสูญไปก็เมื่อสิ่งใดต้องเละเรือนแล้วสาบสูญไปคุณควรอ้างรูอว่าครั้งหนึ่งจับคว้ามันไว้คองได้ มันนานกว่าคว้าลมก็จริงแต่สาระแก่นสารมันต่างอะไรจากคว้าลมล่ะคุณอาจระลึกชาติได้หลังจากฝึกรู้ได้แจ่มชัดพอจนเห็นว่ากายใจนี้ก็เป็นเพียงชาติหนึ่งยังมีกายใจก่อนหน้าเรียงเป็นตับคุณจะพบว่าแต่ละกายใจเป็นเหตุผลของกันและกันเป็นที่มาที่ไป ในแบบคลี่คลายจากชีวิตหนึ่งไปสู่อีกชีวิตหนึ่งอย่างสืบเนื่องคุณจะรู้ซึ้งว่าใครที่ถูกกดขี่ข่มเหงถูกทําทารุณถูกอุบัติภัยราคนในครอบครัวให้เหลือตัวคนเดียวก็ไม่ได้น่าสงสารมากไปกว่าตัวคุณและคนรักเลยสักนิดเดียวเพราะคุณและคนรักก็ถูกอวิชชาลากไปลากมาขึ้นสวรรค์ลงนรก ถูกมัจจุราชพรากไปจากเหล่าบุคคลที่รักนับครั้งนับผลไม่ท่วนบนเส้นทางวิบากกันดา น, นี้คุณจะเห็นเป็นภาพรวมว่าชาติก่อนๆคุณก็สําคัญผิดเหมือนอย่างเดี๋ยวนี้วินาทีหนึ่งหนึ่งเหมือนไม่น่าสงสัยเลยว่าตัวเองเป็นใครแล้วก็เชื่อมั่นว่านี่เป็นตัวคุณต้องใช่แน่ๆไม่มีตัวอื่นทั้งที่จริง มีกายใจเกิดตายสืบเนื่องกันยิ่งกว่าขบวนมดปลวกแต่ละหน้าตาแต่ละอัตภาพแต่ละชื่อแท่แต่ละความรู้สึกไม่ซ้ำแบบกันเลยคุณอาจเคยเป็นคนแบบเดียวกับที่กำลังเกลียดอยู่เดี๋ยวนี้หรืออาจเคยเป็นสิ่งที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักหนาทว่าอัตภาพเหล่านั้นก็สูญสลายไปหมดถูกหลงลืมไปหมดและคลี่คลายกลายมาเป็นตัวนี้ ที่จำอะไรเกี่ยวกับอดีตชาติไม่ได้เลยคุณจะเห็นว่าคู่รักเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ว่าจะคู่ของคุณหรือคู่ของคนอื่นไม่มีใครเป็นคู่ใครจริงชนิดไม่แยกจากกันตลอดไปและพวกเขาก็ตกอยู่ในวังวนแห่งความเกิดตายอย่างไม่รู้อินโนอินเนเหมือนเหมือนกับคุณกามและบุญบาปอันเคยทำร่วมกัน ดึงดูดให้มาพบกันจะยาวนานหรือแสนสั้นก็ขึ้นอยู่กับแรงส่งเก่าและสายใยใหม่สำคัญคือช้าเร็วต้องจากกันแน่คุณจะเห็นตัวเองยกระดับการรับรู้ทราบชัดว่าจินตนาการและคลื่นความปรุงแต่งในหัวนั่นแหละคือความฝันการมีชีวิตมนุษย์ที่คุ้มที่สุด คือโอกาสได้รู้สึกถึงลมหายใจรู้สึกถึงกายรู้สึกถึงจิตรู้จริงว่าเหล่านั้นไม่ใช่เราเพราะเฝ้ามองกายใจจนเห็นว่ามันเป็นเพียงเครื่องล่อให้ยึดแท้จริงมีความไม่เที่ยงไม่อาจทนได้เพราะไม่ใช่ตัวตนความรู้สึกในตัวคุณจะหายไปและกลายเป็นรถแห่งจิตอันบริสุทธิ์จากความหลงผิดไปแทน คุณจะเล็งเห็นว่าคู่รักที่ชักชวนกันเจริญสตินับเป็นความโชคดีของการและกันอย่างใหญ่หลวงที่มาพบกันอาจจะเทียบเท่ากับพบพระอรหันต์เพราะแม้พระอรหันต์จะสว่างประดุดแสงอาทิตย์แต่ก็ไม่อาจช่วยดูแลเป็นแรงบันดาลใจให้พวกคุณพา ก, กันเจริญสติได้ในเวลากลางคืนส่วนพวกคุณแม้เป็นแสงเทียน ก็ยังส่องสว่างในความมืดให้แก่กันและกันได้ตลอดเวลาคุณค่าสูงสุดของรักแท้คือการมีกันและกันให้สติบนเส้นทางขึ้นสูงจนกว่าจะถึงความสิ้นทุกข์ที่ยอดคือนิพพานการพากาักนรักนิพพานนั่นแหละคือรักอันเหนือรักอย่างแท้จริงมีแต่ได้กับได้เพราะแม้ยังไปไม่ถึงฝั่ง อย่างน้อยที่สุดพวกคุณก็ได้ชื่อว่ารักจะเป็นสุขมิใช่รักจะเป็นทุกข์เยี่ยงคนหลงทางหาทางออกอยังไม่เจอทิ้งท้ายหวังว่าบทนี้และเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้คงช่วยให้คุณเห็นความจริงและทางเลือกทั้งหมดที่เกี่ยวกับรักแท้เมื่อเห็นความจริงและทราบว่ามีทางเลือกมากกว่าที่คิดจย์สาคัญข้อต่อไปคือ ถามตัวเองว่าทุกวันนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่ต่อสู้เพื่อรักอันเป็นทุกข์หรือเพื่อรักอันเป็นสุขเสียงอ่านหนังสือรักแท้มีจริงเขียนโดยดังตริน เสียงอ่านโดยโจโช แม้วันนี้จะอ่อนร้ายด้วว่าทำดียังมืนมนให้มั่นใจว่าสิ่งที่เจอมีเหตุมีผลให้ยิ้มและสู้อดทนมีนานเรื่องร้ายจะผ่านไป ว่าเพราะอะไรนเหตุคือใครที่ไหนกัน begun... สิ่งที่ เ, อ น, เอนั้นต้องเจอ ทำของเธอแม้คิดในใจอาจคอยส่งผลรา้ายอยากลึกลับแต่มันคงกับการส่งผลเข้ากันเคยทำอะไรทำดีหรวอร้าย ด้วยว่าทำดียังมืดนมนให้มั่นใจว่าสิ่งที่เจอมีแห่มีผลให้ยิ้มและสู้อดทนไม่นานเรื่องร้ายจะผ่านไปหากยังทำดีโอ Be a good p e o